ขอกราบคารวพ่อครูและมูสงเจ้าความเคารพอย่างสูงครับขอจะดำนินทำทางนึกดีพวกเราที่อยู่ในห้องส่งแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการเรียนอิสระตามสำนึกวันนี้วันศุกร์ที่สิบสี่มิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเป็นวันขึ้น6กค่ำเดือนเจ็ด พันนี้สมถือว่าพาอครูก็จะมาต่อในจากเมื่อวานนี้ถือว่าแค่แค่คําว่ากายคาเดียวนี่ก็มีคําอธิบายได้เดินญาติเดียวมผมเคยคุยกับนักศึกษาปริญาเอกที่เขาเรียนเรื่องพุทธศาสตร์นะครับ<ม>เขาอยู่เขาเรียนต่างประเทศบอกถามเขาว่ากำลังทําริยาเอกเรื่องอะไรเขาบอกทําเรื่องรูปปั้นเรื่องรูปเรื่องเดียวเนี่ยครับแต่ก็รู้สึกว่าแค่คําว่ารูปเรื่องเดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่ต่างประเทศเขาบอกให้ทำปริยาเอก ได้เลยจริงครับรูปเรียงก็ทาได้ครับเพราะว่านามมารูปนี่ก็รูปครับอนามมารูปนี่ก็เป็นรูปอะรูปนี่ก็รูปครับก็เป็นได้อีกเยอะแยะมากมายกันแม้แต่คําว่ากายอย่างเดียวหรือสัญญาอย่างเดียวว่าพวกครูที่จะที่ใบต่อไม่มีรูปเลยนี่ก็รูปอะรูปก็เป็นรูปเหมือนกันนามารูปนี่ก็รูปครับกันคำว่ากายเนี่ยคงมีทั้งความลึกซึ้งที่พรอครูจะมาขยายความต่อขอข้อนี้หมดเลยนะครับอ๋อ อ้เกิด น, นิดเดียวเลยเนาะอ๋อดีนะ่าอาตมาจะได้มีเวลาเยอะๆนอะาเรามาต่อความนะต่อความยาวสาวความยืดนะเมื่อวานนี้อาตมาได้เริ่มต้นขึ้นโดยเอาเรื่องของอิญญาณทิติเจ็ดและสัตวว่าเก้าที่พูดจะสันตร์เอาไว้เนี่ย อาตมาเห็นว่ามันมีความชัดเจนมีความชัดเจนมากถ้าเผื่ว่าผู้ที่สา ม, มารถศึกษาแล้วจะรู้ได้ว่าถ้าตัดไปชัดเจนระ บ, บุวิญญาณทิฏฐิเจต 7, ตวาดเก้านี้เป็นการชัดเจนในเรื่องของผู้ที่ศึกษามาแล้วเข้าถึงปรมาจา์เรียนรู้จิตเจตสิกรูปนิพพาน แลเรียนรู้เรื่องรูปเรื่องนามได้อย่างดีก็จะเข้าใจว่ารูปกายนามกายต่างๆโดยที่ท่านใช้คำว่ากายกับสัญญาเนี่ยมาํากับไว้ในวิญญาณที่ติดเจ็ดกับสตวาสเก้าเนี่ย ก็ทวนไปทวนมาซ้ําไปซ้ํามาผู้ได้ฟังแล้วได้ฟังใหม่ก็ไม่น่าจะรําคาญอะไรก็น่าจะได้รับความยําซ้ําเติมเพื่อที่จะได้แน่นภูมิแน่นความรู้แน่นก็ไปอีกนะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ไม่มีอัตามาณอะไรมากมายยิ่งฟังซ้ําก็ยิ่งยืนหยัดยืนยันเพราะว่าสิ่งที่เราได้ฟังซ้ําเราได้ฟังอีก เราได้จําเข้าไปจําเข้าไปนี่น่ะมันเป็นเรื่องดีมันเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรจํำนะควรที่จะได้ยินได้ฟังอยู่เส ม, มอเส ม, ม, อ, ส ม, มอตลอดเวลาด้วยซ้ํานะผู้ที่เข้าใจด้วยเปัญญาดีๆก็จะรู้จะเห็นอย่างที่อัตมาว่านี้นะเพราะงานวันนี้อัตมาก็จะทวนอีกแล้วก็จะขยายต่อเราได้พูดกันมาถึงสอง สองสัตว์คำว่าวิญญาณทิฏฐิกับสัตวตาวาสเนี่ยนะสองคำนี้ยังไม่ได้อธิบายยํำขยายความำํำให้ชัดนักก็ขอเติมอีกนิดนึงว่าวิญญาณทิฏฐิหมายความว่าสภาวะนั้นๆขณะนั้นๆมีวิญญาณอยู่ วิญญาณแปลว่าธาตรู้มีความระลึกรู้มีธาตรู้ไม่ได้หมดความเป็นธาตรู้ไปนะผู้ใดก็ตามคนผู้ใดก็ตามหรือพระโยาคาวจรที่ปฏิบัติธรรมนี่แหละนักปฏิบัติธรรมนี่แหละถ้าเผื่อว่ายังมีสติสัพพัญญาปัญญาหรือว่ามีวิญญาณมีธาตรู้มีมโนมีวิญญาณ แล้ว่าธาตุรู้ยังมีความรับรู้อยู่ในตนไม่ได้หายไปมีสติตรมปัญญะแล้วก็มีวิญญาณมีธาตุรู้อยู่นั่นเรียกว่ามีวิญญาณทิฏฐิเพราะงั้นในวิญญาณทิฏฐินี่แหละท่านก็จะระ บ, บุลงไปให้รู้ว่าผู้ที่มีญาณปัญญาก็จะรู้ความเป็นกายความเป็นสัญญาที่ท่าน ใช้สองคำนี้เป็นเงื่อนไขหลักในการศึกษาวิญ ญ, ญาณทิฏฐิหรือสัตตวาาจริงๆก็คือศึกษาความเป็นสัตว์สัตวว่าคือก็ยังจิตวิ ญ, ญญาณยังเป็นสัตว์อยู่ชัดๆก็คือจิตวิ ญ, ญญาณยังเป็นสัตว์อยู่แต่ในจิตวิญ ญ, ญาณที่ยังเป็นสัตว์อยู่เนี่ยในเก้าอย่างสัตตว่าเก้าเนี่ย วิจิตวิ ญ, ญญาณที่ยังเป็นสัตว์อยู่เนี่ยถ้าเผื่อว่ า, ศ, า, ว า, วานะศึกษาในความเป็นสัตว์เจ็ดชนิด9กว่า7นี่นะศึกษาในความเป็นสัตว์เจ็ดชนิดนั้นก็จะสามารถบรรลุได้แต่ถ้าเผื่อว่าไปทำจิตวิ ญ, ญญาณหรือไปทำธาตรู้ ไปทำจิตวิญญาณหรือว่าไปทำธาตุรู้ให้ไม่มีอาการของธาตุรู้ไม่มีสภาวะของวญญาณไม่มีสภาของความรู้สึกไม่มีสติสัมปชัญญะอยู่ในขณะนั้นไม่รับรู้อะไรไม่รู้ตัวไม่มีสติไม่มีวิญญาณไม่มีสัมปชัญญะไม่รู้เรื่องซึ่งลักษณะที่ไม่รู้เรื่องนี่มันอยู่ในสองสภาวะคือสภาวะอสัญญี กับสภาวะของเนวสัญญานาสัญญาญตนาสัตว์ในความหมายของทั่วไปเนวสัญญานาสัญญายตนาสัญญาตว์มันเป็นความหมายว่าแม้ในของพูธก็ตามในของพูดก็ดกเป็นความหมายว่ามันมันกึ่งกึ่งเนวสัญญานาสัญญาญาตนาแปลว่ารู้ต้องรู้รู้ก็ไม่ใช่มันรู้ละมันมันรู้นิดๆเหน่อย เกือบจะไม่รู้ในวนสญญนัสัญญ า, านาเสนใหญ่ยตนะเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่สมาธิถิตจริงๆก็เข้าใจผิดเลยเข้าใจว่าในวันสัญญานาสัญญายตนะนี่คือการดับไปสู่ความไม่รู้ดับจิตให้ไปรู้สู่ความไม่รู้มันอย่างก็อุทกกระดบนบดในตำนา น, นมีอุทกกระดาบดเป็นต้นไปได้ฌานนี้ที่จริงอารานดาบด ก, ก็ดับ แต่ในความหมายของอาลานาบทนั้นอยู่ที่ขั้นอคติจัญญายตนะอคติจัญญายตนะนั้นเป็นอาการในระดับที่ยังไม่ถึงในวัญญานาสยายัญญาญตนะยังมีความรู้ในเรื่องจิตรู้ในเรื่องปรมัาทรู้ในเรื่องของธาตุนามธาตรูปธาตุนามนารูปในขั้นอะรูปแล้วก็ตาม ในขั้นอรูปจิตถึงขั้นที่ยังมีการมันแวบรู้ขึ้นมานิดหนึง่งน้อยหนึ่งเนี่ยผู้มีภูมิขั้นอกินจัญญายจันะเนี่ยเข้าใจยังไม่ดีเข้าใจยังไม่ได้เข้าใจยังไม่สมาธิก็จะเป็นดับจิตเนี่ยดับเลยนะเขาจะดับจิตเลยอ่าโดยความรู้โดยการกําหนดหมายว่านิโรดนี่แปลว่าดับเขาก็จะดับ ไม่ให้จิตรับรู้อะไรนั่นเองอก็คือทำลายธาตรู้ทำลายธาตวิญญาณไปทำลายธาตวิญญาณไปเลยทำลายให้ไม่ใช่ทำล า, า, าย้ดยซ้าขออภัยใช้คำว่าทำลายคงจะไม่ถูกต้องกดกนะดข่มจิ ต, ไ ม, จ ต, มจตไม่ให้จิตทำงานกดข่มจิตไม่ให้จิตทาทาหน้าที่นะ ทาให้จิตนี่มันหยุดทําหน้าที่อให้มันหยุดมันดำมันมืดไปเฉยๆอย่างนั้นแล้วก็ถือว่าไอ้จิตทําให้มันหยุดเป็นดับมันดำมันมืดไปนั่นอ่ะมันจะดับก็ไม่ดับอย่างแท้จริงหรอกดับให้มันดำมันมืดไปเนี่ยถือว่าอย่างนั้นคือสภาวะนิโรธสภาวะความดับเขาเข้าใจนิโรธเป็นอย่างนั้นเป็นสัญญานิโรธว่าอย่างนั้นกำหนดหมายเออ่ว่า เรียนรู้มาแล้วก็เข้าใจแล้วก็กําหนดหมายวันนี้ว่าคืออย่างเนี้คือการดับดับให้จิตไม่รับรู้อะไรอันอันนี้อาจารมาพูดแล้วพูดดีซ้ําแล้วซ้ําอีกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น น, นี่โรดของพระเจ้าเนี่ยถ้าเรียกเต็มๆว่าสัญญาเวทียตันนิโรธ ด, ด้วยแล้วเนี่ยมันจะไปดับสัญญาดับเวทนาอย่างนั้นนะอันนี้อาจารมาเห็นใจนะในวงการศาสนา แม้ในเทราวาทที่ว่าถูกต้องมากมายเนี่ยนในเทราวาที่ก็ตามก็เข้าใจคำว่านิโรดนี้อย่างอย่างนั้นแหละยังไม่ละเอียดพอไปเข้าใจว่านิโรดนี่คือการดับความรับรู้ของจิตเลยจิตไม่มีอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยนิโรดเนี่ยไม่มีไม่ตัดไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้แหละ ในวิญญาณทิฏฐิเจ็ดหรือสัตตาวาสเก้าจึงเป็นเครื่องชี้ไว้เป็นการกำหนดไว้ให้เป็นหลักสูตรที่ต้องศึกษาให้ดีเลยถ้าไม่เข้าร่องเข้ารอยก็ตามคำตรัสพระพุทธเจ้านี้มันก็ผิดมันก็ผิดพราะผู้ศึกษาไม่สมาธิิมาแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยรู้เรื่องขออาภาัยที่อาจจะมาพูดพูดตรงว่า ผู้ศึกษามายังไม่สมาธิถี่ในปรมัตารเนี่ยจะไม่เข้ารู้เรื่องว่าบัญญัติติหมายถึงอะไรสัตว์วาด้าหมายถึงอะไรที่ท่ันระบุไว้ในภาษาโหรในเป็นภาษาบาลีนั่นแหละเปวนวัตว์บางพวกมีกายต่างกันทึ่งบาลีทั้งหมดก็อาตมาก็ไม่ได้คัดมาคัดมาแต่เป็นบางคำว่า กายต่างกันก็ น, กนานัตตกายาสัญญาต่างกัน ก, น, กนานัตสัญญินโนอะไรแค่นั้นนะหรือว่าคำอื่นๆบ้างก็ไม่มีสัญญาก็อสัญญินโนนะไม่สวยเวทนาก็ อ, ป, อปปติสังเวทิวททโนอย่างนี้แค่นี้นะทั้งประโยคอัตมาไม่ได้ขัดมาเลยก็เลยพูดไม่ได้นะ ไม่ได้คัดมาในพระเตะปิอกมาให้ดูอ่าลองทวนดูแต่นี้ว่าทำไมอาตมาชิงย้ายืนยันว่าสองสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่สำคัญน่ะเป็นสูตรที่สำคัญที่ผู้เรียนรู้แล้วจะสามารถวัดเป็นเครื่องวัดได้ว่าเออถ้าเราอาจในนี้เข้าใจวิญญาณที่ติดเจ็ด สัตว์วาด้เก้าเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจแล้วก็รู้ไปถึงสภาวะของธรรมะสภาวะธรรมในจิตใจเป็นสภาวะอ ร, ธธรมถธรรมจิตเจตสิกรูปนิพพา น, นต่างๆ <c oughs> อานอาการของจิตอย่างงั้นได้จริงๆ <c oughs> ผู้ใดมีภูมิมธรรมรู้ถึงขั้นรู้กายรู้สัญญารู้ความเป็นสัตว์วาด้เก้ารู้ความเป็นอิญญาติติเจ็ด นะเข้าใจขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจความหมายแล้วก็เอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติก็จะอ่านสภาวะธรรมสภาวะอาการของจิตที่ท่านตรัดไว้อย่างนี้กายหมายความว่าองค์ประชุมเสมาวานี้อาตมาพยายามแจกแจงฟังรู ป, ปรกายนา ม, มากายตั้งแต่รู ป, ป ร, รูปนะแล้วก็นา ม, มารูป ะและนามกายรูปกายนามกายอรูปรูปนามรูปแล้วก็รูปกายนามกายส่วนนามนามมันไม่มีนามนามไมเคยได้ยินไม่เคยมีใครกล่าวว่านามนามนามนามก็คือรู้ในนามมันไม่มีเพราะว่ารูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้นามมันก็ไปเป็นตัวรู้และนามไปเป็นตัวถูกรู้ก็ได้จึงเป็นนามรูป นามารูปคือนามนั่นแหละถูกรู้เป็นนามารูปนะส่วนคําว่ากายนั่นน่ะต้องมาเน้นคําว่ากายเนี่ยเข้าใจไม่ง่ายนะอย่างท่านเดินดินท่านบอกว่าผู้ที่ไปทำปริยาเอกในเมืองนอกเขานี่บอกทําเรื่องอะไรทําเรื่องรูปปังรูปอย่างเดียวซรื่งกายอย่างเดียวนี่ก็เถอะทาให้ละเอียดละออถึงสมบูรณ์เลยนะจะเอามานำมา แต่ประกอบในการยืนยันก็ยังไม่มากนะักแค่นี้นะที่พูดพาดพิงถึงคําว่า ก, กายเนี่ยก็รูปกายนามกายนี่แหละนะจะเป็นพรหมกายธรรมกายอะไรก็แล้วแต่ถ้าเข้าใจคำว่า ก, กายแล้วก็จะรู้องค์ประชุมของความเป็นพรหมองค์ประชุมของความเป็นธรรมธรรมกายหรือพรหมกายแต่สติว่าเนี่ยจะเข้าใจถึงเรื่องกายองค์ประชุมขนาดไหนนะ คำว่า ก, กายของท่านที่หมายถึงเวลาปฏิบัติธรรมแล้วมันจะประชุมกันขนาดไห น, นากายเนี่ยที่จะต้องเรียนรู้ซึ่งถ้าใช้คําว่า ก, กายแล้วเช่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถูกต้องหรือว่าสัมผัสถูกต้องหรือสัมผัสนีพัดพุดผุดผุดโซ่พุทธับเนี่ยพุดโซพุดจะพผุดสติเนี่ย ถูกต้องหรือสัมผัสวิโมกแปดด้วยกายอย่าง น, นี้เป็นต้นถูกต้องหรือสัมผัสวิโมกแปดด้วยกายอย่าง น, นี้เป็นต้นซึ่งคำว่ากายคำนี้ก็คําว่ากายกายเยนะคำเดียวกายแลย้วถูกต้องหรือสัมผัสด้วยกายเนี่ยมันจะหมายความว่าถูกต้องอย่างไร ก็ถูกต้องโดยมีการสัมผัสนะในยืนยันว่ามีการสัมผัสถูกต้องนี่คือสัมผัสวิโมกขแปดก็อัตมาก็นำมาขยายความอยู่คำที่ต่างกันอยู่ในวิญญาณทิฏฐิกัตตวะวาด้เก้านี่ก็คือเอาคำซ้ำก่อนเอาคำซ้ำกันในวิญญาณทิฏฐิสัตวาดเก้านี่ก็คือในวิโมกขแปดก็มีคำซ้ำ ซ้มคืออคินจัญญายะเอ่ออากาซา ย, ออาาา ย, ายัญญ า, ายตนะวิญญาในใจยตนะอคินจัญญายตนะในวิญญาณทิฏฐิในวัฏจารณ์เส ย, าาส ย, าย ญ, ญายตนะไม่มีมีแต่อยู่ในสตวาส่าเก่าเธอสบาก็พูดถึงไปแล้วเมื่อกี้ว่าทำไมถ้าไปจัดไปอยู่ในสต ว, สว่าเก่าเพราะมันเรียนไม่ได้ถ้าไปดับอย่างนั้นเรียนไม่ได้มีแต่ตกไปเป็นเป็นศัพท์ที่ ตายเด้งอยู่งั้นไม่ว่าสัญญาสัตว์หรือในวัญยานาสัญญยาเยจตนาสัตว์สัตว์สองอย่างนี้คือดับจิตไม่ให้เรียนรู้ปิดผัดศาสปิดรับรู้ก็จมอยู่ในความเป็นสัตว์ดับความเป็นสัตว์ไม่สิ้นสังโยชตหรือไม่พ้นสังโยคะได้ก็จมเป็นความเป็นสัตว์อยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ให้ดีว่าสัน ญ, ญีหรือ ในวัชญานาสัญญาเตนาสัตว์หรือในวัชยานาสัญญาเตนาภูมิในวัญยานาสัญญาเจตนาภพเนี่ยโดยไปเข้าใจผิดว่าในวัชยานาสัญญายจตนานี่ยคือความดับคือความดับนะหรือแม้แต่เข้าใจอจินจัญญาเตนาก็เป็นความดับไม่มีแสงสว่างไม่มีความรับรู้อะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเข้าใจอย่างนั้นอ่ะผิดนะจบเหเลยมายควาว่าจมในความเป็นสัตว์ต่อไปต้อง อยู่ที่เจ็ดอย่างอีกเจ็ดอย่างในสัตตว่าก้าก็ตามยกเว้นอสัญญาสัตว์กับเนวสัญญา <c oughs> ยกเว้นอสัญญาสัตวกับเนวศิญญานาสัญญาเจตนาสัตว์แล้วเหมือนกันวิญญาณทิฏฐิกับสัตว์วาาอีกเจ็ดนั้นเหมือนกัน และในสี่ของสัตวะเก้านั้นหรือในวิญญาณทิติอีกสี่นั้นก็คืออากาซาัญจา ย, ยตนะวิญญาณัญจา ย, ยตนะอกินจัญญายตนะยกเว้นวิญญาณทิติก็พูดแล้วเมื่อกี้ว่าเมื่อไปเข้าใจผิดน่จะไปเป็นสัตว์ถ้าจะไปเป็นสัตว์ก็จะต้องผิดพุทีิจะเข้าใจ ข้อหนึ่งผิดก็อสองผิดก็สามผิดสี่ผิดห้าผิดเป็นสัตว์อยู่ทั้งนั้นนะ่ะผู้ที่เข้าใจผิดจบยังไม่พ้นความเป็นสัตว์ยังไม่พ้นสังโยชน์ได้จบอยู่ที่ความเป็นสัตว์โลกหมุนเวียนอยู่งั้นนะ่ะไม่มีจบไม่สึดสิ้นสุดความเป็นสัตว์อ่าจะถูกผูกไว้ในสัตว์หมดเพราะสัตว์ตว่าเก้านี่คือพวกที่ไม่สมาธิฐิ พลังจะสมาธิถิตได้ก็จะต้องมีวิญญาณตั้งอยู่แล้วก็จะต้องมีธาตุวิญญาณนี่แหละศึกษาศึกษาเพื่อจะจะรู้ความเป็นสัตว์ในความเป็นวิญญาณสัตว์ในความเป็นวิญญาณนั้นภาษาบาลีเรียกว่าสัตว์โอปปาติกะหรือสัตตาโอปปาติกะสัตในทางวิญญาณนั่น ชาติใทางวิญญาณนั้นจะอุบัติจะเกิดปฏิสนธิหรือโยนิจะเกิดก็เกิดแบบของโอปปาติกะเนี่ยว่าโอปปาติกะปฏิสนธิหรือโอปปาติกะโยนิไม่เหมือนกันกับฉลาปุชโยนิสังเสตชะเอออันชะโยนิหรือสังเสตชะโยนิไม่เหมือนกันอันนี้เกิดโดยการมีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยก็มีสัมผัสเป็นเหตุปัจจัย สำคัญมีสัมผัสเป็นเหตุปัจจัยถ้าไม่สัมผัสแล้ววิญญาณไม่เกิดจะเกิดมีวิญญาณต้องมีสัมผัสสามต้องมีรูปมีนามนมีรูปมีนามนถ้าไม่มีรูปไม่มีนามไม่สามารถที่จะตัดรู้ได้เพก็งั้นในการ เรียนรู้ในคําสอนรู้เจ้าต่างๆนี่แต่ละสูตรแต่ละสูตรถ้าเข้าใจดีแล้วมันจะโยงสัมพันธ์กันสมัมผัสกันเกี่ยวข้องกันตรงนั้นตรงนี้ไปทั้งนั้นนี่ยแม้จะไกลไปบางอย่างเนี่ยอธิบายกันนานก็จะไปต่อไปเชื่อมโยงต่อถึงกันต่อจิกซอไปก็อาจจะถึงตรงนั้นได้ก็เกี่ยวโยงกันถ้าผู้มีพื้นฐานแล้วน่ะจับมาต่อกับปุ๊บนี่ได้เลยเข้าใจเลยนะ อาตมา ก, ก็ขอเข้าสู่คำว่า ก, กายกับสัญญาในวิญญาณทิฏฐิน่ะสัตว์ว่าก็ยกไว้ในฐานที่เข้าใจละไว้ว่ามันก็เหมือนกันถ้าศึกษาแล้วก็คือศึกษาความเป็นสัตว์อยู่ในวิญญาณนะวิญญาณเราเป็นสัตว์แล้วเราก็จะหลงล้างเหตุที่มันยังติดยังมันยังผูกถูกผู ก, กติดอยู่ในความเป็นสัตว์ให้ได้ถล า, างกาจัดมันได้หมดล้างได้หมด ก็จบไปอัตมาได้อธิบายถึงวิญญาณทิฏฐิข้อหนึ่งข้อสองทวนนิดนึงว่าสัตว์บางพวกมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันเช่นพวกมนุษย์หรือเทพบางเหล่าวินิบาตน่ะวินิปาตตานีวินิบาต บ, บ, บางเหลา่าสัตว์นรกนั่นเองพวกเทพพวกเทวดาสัตว์นรกนเทวดามารพร้มก็ได้ ผู้ที่เรียนรู้อาการของความเป็นกายองค์ประชุมเป็นกายรูปกายหรือน้ามะกา ย, กายอย่างที่กล่าวอธิบายไปแล้วเมื่อวานนะ <c oughs> ถ้าสามารถอ่านออกมียานรู้มีวิโมกมีความรู้ที่จะรู้รูปีรูปานิปัสสติวิโมกข้อที่หนึ่งข้อที่สอง ชตังอรูปสัญญาเอโกต่หิธารูปานิปัสติข้อที่สองข้อที่หนึ่งของวิโมกคือผู้ที่รู้จักรูปเพราะในรูปทั้งหลายผู้นั้นจะอ่านรูปรู้รูปได้นะรูปีรูปานิปสสติผู้มีรูปย่อมเห็นรูป ทั้งหลายปัจจิคือแปลว่าเห็นเพราะฉะนั้นพูดที่จะเข้าใจและเรียนรู้เรื่องรูปแล้วก็มีรูปที่ให้เห็นไม่ว่ารูปนอกหรือรูปในคือรูปนอกรูปในเขายังไม่ได้ขยายความท่านยังไม่ได้ขยายความว่าต้องมีรูปให้รู้ให้รู้ให้ถูกรู้ให้เห็นปัจจิให้เห็นเพราะฉะนั้นรวมความไว้ต้นๆหยาบๆข้อที่สอง ท่านก็ขยายว่าละเอียดไปเลยลึกไปเลยนะผู้ท่านแปลไว้ในนั้นน่ะแม้มีแพทไว้ให้ให้ดู้วเนี่ยแต่มันไม่ได้เห็นแพทนี่มีจุดดำๆต้องอ่านจอก็โชคโชคดีนิดนึงเมื่อจอมันพออยู่ในระยะที่พอดูได้แล้วตาจะมาก็พออ่านได้ผู้ไม่มีความสำคัญในรูปภายใน อ่าผู้มีความสําคัญในรูปภายในไม่มีความสําคัญนเขาคงแปลมาจากคําว่านาอะะอดูประสันยีาได้ว่าอะนี่คือไม่ไม่มีความสขาขมาาําคัญก็คือสัญญ้นยีสําคัญมั่นหมายในรูปภายในก็คืออัจตังแปลว่าภายในรูปเขาเอาคําว่าอะไปขายายคําสัญญ้นยีซะและ้ว ว่าอัจฉรีไม่สาคัญกับรูปก็เลยเอารูปนี่มาบอกว่าไม่สาคัญในรูปอัจฉต่างภายในอาตมาก็พอได้เห็นคำแปลนี้ก็ต้องนึกถึงผู้แปลว่าท่านก็มีความเข้าใจมีภูมิธรรมอย่างที่ท่านหมาย อ, าอย่างที่ท่านหมายก็แสดงให้เห็นว่าท่าน ก็ยังไปซ้าอยู่ที่รูปคำว่ารูปภายนอกภายในอัจชะตางใภายในและรูปไม่ใช่รูปเท่านั้นอะรูปจะได้ครบถ้ารูปอยู่รูปภายนอกรูปภายในก็คือรูปเพราะรูปปานนี้คือรูปรูปภายนอกรูปภายในก็รูปแต่รูปมันยังมีอารูปอีกทั้งขยายอารูปแต่ท่านไปเข้าใจ ว่าอะนี่ยไปขยายไปเกี่ยวข้องกันสัญญีก็เลยแปล ว, ว่าไม่สำคัญในรูปภายในเห็นรูปภายนอกว่างั้นนะเห็นรูปภายนอกถก็เขาตัดตัวหนังสือไปแล้วอาจามาก็เลยไม่ได้เห็นนั่นก็เลยเมื่อกี้ก็ยังจาไม่แม่นเห็นรูปภายนอกพระิทารูปานิปัสสตินี่นะปัสสติปลว่าเห็น พระอิทารูปานี่ก็คือรูปทั้งหลายน่ะอิทารูปานี้รูปทั้งหลายในภายนอกนเราบอกเห็นย่อมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเคำว่า ง, งั้นความหมายชัดๆก็คือเป็นผู้ที่มีภูมิมธรรม่วิโมกนี่คือความรู้ภูมิมธรรมสามารถเห็นสามารถตัวท่านเองอ่ะโดยตนเองเ อ, งเอกลัแปลว่าโดยตนเองตัวเราเองนี่เราสามารถเห็นรูปของเราเราเห็นไม่จะไปเห็นข้างนอก ข้างนอกก็เกี่ยวข้องอยู่กับลาวพระหิธารูปานี่ก็คือรูปที่เราเกี่ยวข้องนี่อยาจะมาเห็นขนาดนี้เนาโอ้โหมะม่ว ง, งใบเบลอดอกนี่สีสันดอกสีแดงสีเหลืองสีขาวสีชมพูสีอะไรต่างๆนี่คือเห็นด้วยตาอรองกองลูกบอลอะไรนี่โอ้โ ห, โหนี่พวงงามเลยเนี่ยคนมาอวดมาอ้าง จัดฉากให้คนข้างบ้านดูแล้วน้ำลายไหลกันไปเรื่อยๆพวกเรามีเงี่ยมายู่อยู่อยู่น้ำลายไหลเขานะเห็นสัมผัสมีรูปให้เราสัมพั์เกี่ยวข้องแอ้เราก็เห็นสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นพูดด้ใดมีรูปถ้าคุณไม่มีรูปไม่มีอะไรเลยคุณเห็นคุณจะเห็นอะไรคุณก็ไม่เห็นอะไรคุณก็ไม่ต้องไปผัดจากอะไรคุณก็ปุง ข้างในของคุณได้ไม่ต้องผัสสะเป็นธรรมอารมณ์คุณก็ปรุงอารมณ์ของคุณขึ้นด้วยสัญญาได้แต่พระเจา้าทำไม่เอาตรงนั้นแค่นั้นท่านกาหนดให้เห็นมีผัสสะอาจะมาย้ำแล้วย้ำอีกยากมากเลยเพราะว่าท่านเรียนรู้มาขออภัยเธอต้องกล่าวต้องพูดไม่ใช่ไปข่มไม่ใช่เป็นดูถูกไม่ปไปไปไปรึกษาผิดว่าถูกอะไรหรอกอาจจะมาว่ามันไม่ถูกอยู่แล้วล่ะ ไปเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมอยู่ข้างในเนี่ยนะอยู่แต่นในข้างในเป็นอารมณ์อยู่ข้างในเป็นธรรมอารมณ์ข้างนอกไม่มีผัสสะข้างนอกไม่เกี่ยวกับผัสสะข้างนอกเข้าใจว่าเวลาปฏิบัติสมาธิปฏิบัติฌานปฏิบัติปรมัตต์ปฏิบัติขั้นที่จะต้องเรียนรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นปรมัตต์เป็นอภิธรรมจิตเจตสิกต่างๆ ต้องไม่เกี่ยวกับตัวตนบุคคลเราเขาไม่เกี่ยวกับข้างนอกเลยดินน้ำไฟลมไม่เกี่ยวเลยนะแล้วต้องไปนั่งเพ่งอยู่ต่ในจิตในจิตจิตจิตเจตสิกจิตจิตเจตสิกส่วนพวกนี้มันเป็นสมมติสัจจะตัวตนบุคคลเราเขาไม่ดินน้ำไฟลมอะไรนี่มันไม่ต้องไปเอาที่จิตเจตสิกไม่เกี่ยวกับพวกนี้ท่านเข้าใจไปอย่างนั้นจริงจริมันเลยเถิดมันเผินไปอาตมาก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะว่ามันลึกซึ้งซับซ้อนอยู่อย่างมากเลย มันต้องเกี่ยวกับรูปปกายและนามกายองค์ประชุมของรูปที่มีทั้งรูปที่สัมผัสต่ตอเนื่องแล้วเป็นรูปปกายเกี่ยวเนื่องเข้าไปถึงนามกายในนามกายคือองค์ประชุมท่าเพื่อเป็นอานาคามีขึ้นไปแล้วในรูปปกายที่ท่านเกี่ยวข้องสัมผัสและท่านได้เรียนรู้จนกระทั่งตัดกิเลส ด, ดับไปได้ทิ้งหมดแล้ว ถ้าอยู่เนื้อมันแล้วท่านก็สัปปะสัพันอยู่โดยไม่ต้องไปเกี่ยวกับรูปรกายอะไรกิเลสตนเองเหลือแต่นา ม, มากายก็ต้องรู้ว่าอยู่ในองค์ประชุมของนามธรรมาเป็นรูปราคะรูปราคะมานะอุตจักอวิชชาเป็นสังโยชน์เรื่องสูงของอนาคามีเองอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องแบ่งออกแยกออกถึงจะชัดเจนว่าอ๋อนี่เราเป็นอนาคามีแล้ว เราเป็นโซดาบัณฑ์แเราเป็นส ก, กิทาคามีแล้วอะไรนี้เป็นตน้นเป็นอนาคามีละเอโกโดยส่วนตนโดยตัวเองโดยตนเองไม่เกี่ยวว่าใครแต่อของตนเองโดยตนเองการู้รูปรู้นามรูปนามกรรูปนาของตนเองโดยตนเองทําตนเองให้ตนเองนี่สามารถที่จะรู้และกําจัดกิเลส ข, ของเราได้กายะแปลว่าองค์ประชุมรวมประชุมตั้งแต่เกี่ยวกับข้างนอกไปจนถึงข้างใน มันจะเนื่องะะอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ตัดขาดกันเลยไม่ได้ปิดทวาวรเลยน่มีผู้มาแย้งอาตมาว่าวิธีปฏิบัติจะต้องนั่งหลับตาดับทวานรเหมือนฤษีกินเฮียน่าเอานิยายบทไหนของอัตรกรยาจารย์เล่มไหนไม่รู้มาอธิบายฤษีลวงเฮียกินเฮียาอาตมาว่ามีในพระธิรมดสอนไว้เหรอ มาปิดดูเหียอีกเ อ, อไม่ใช่ปิดดูอะไรไอปลวก เ, เหียไปกินปลวกใช่ไหมในชาดกในคือมันไม่ใช่เรื่องของคำสอนในพระตรปิฎกมันเป็นเรื่องนอกพระตปิฎกแล้วเอามาประกอบมาปนเปมมันก็เลยไปกันใหญ่ น่ะก็เลยไปเชื่อพวกนั้นน่ะว่าจะต้องปิดทวาวรห้าหรือไวถทวารเดียวคือจะปิดตาหูจมูกิีนกายอยู่ในวาวรใจเพราะว่ามันไปจับทั้งหกวาวรมันจับไม่ทันจับไม่ได้อันนั้นน่ะ ถ, ถ, ถ้าไม่ได้เห็นที่เรียนแบบนั้นท่านให้เรียนไม่ใช่ไปจับวาวรทั้งห้าไม่ได้ต้องเรียนรู้ให้รู้งาวรทั้งห้าทั้งหกน่ะแต่ที่บอกว่าพราคม้ที่ชุมในยาง ไม้ที่ชุ่มในยางก็คือเราเองยังมีกิเลสมากอยู่ยังชุ่มไปกิเลสอยู่ยก็จะภาคไม้ที่ชุ่มในยางคือพาคมาจากน้ำแต่ก่อนจะไปแช่น้ําไว้มันไม่มีวันแห้งอันนี้คําสอนในพระพิบดกเลยการพางไม้ที่ชุ่มในยางนี่ไม่ใช่ไปปิดรูเหี้ยเออปิดรูไม่ใช่เหี้ย <c oughs> มั้ยอาตมา ก, ก็ไม่ค่อยเก่งชาดกเนาะมันหมายถึงอะไรเข้าไปกินอะไรในรูเหี้ยห้ารูเนี่ยเหี้ยไปกินอะไรไปกินลวกเหรอไปกินอะไรไม่รู้ น, นะ อาตมาก็ชัดไม่เลอะละลน่ะเอที่ปิดรูห้ารูแล้วก็เหลือแต่รูเดียวแล้วก็จะซึ่งจะจับได้เมืันเข้าสวรรค์เดียวอาตมาเข้าใจนะแล้วก็เห็นใจเขาะวิธีที่จะไปนั่งหลับตางั้นาอาตมาก็ทำมานักหนาน่ะทำอย่างที่เขาทําก็ทําเข้าใจทั้งนั้นแนหะน่ะเห็นรู้ด้วยแต่ว่าอาตมาก็รู้สองอย่างก็ย่นเอามาพูดทั้งสองอย่างรับเปรียบเทียบให้ฟัง ว่าอย่างนั้นนะ่ะมันยังไม่ครบยังไม่ถูกเพราะในการพากไม้ที่ชุมในยางออกจากน้านก็คือมาเห็นแล้วก็มีศีลมีการกำหนดอินทรีย์พละของเราด้วยหลักเกณฑ์ขั้นตน้นเราเอาไว้แค่นี้แต่มากกว่านี้ก็เราอย่าพึ่งนะมากกว่านี้เราอย่าพึ่งไปอ่าไปไปเอานะนี่คือการกำหนดไม้พาคม้ที่ชุมในยาง ไม่จะไปปิ ด, ปดรูอะไรเนี่ยอยาตมาก็อธิบายไม่ถูกแล้วตอนนี้ชาพูดไปคูดมาชั้าตัวเองจะเลอะเลอะแล้วไม่เก่งชาดองไม่เก่งอะไรพวกนี้จริงๆอาตมาเนี่ยไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่ค่อยเอาทาน <c oughs> อ่า <c oughs> อีกที่นึ้งสรุปใหม่ว่าเรื่องกายนั่นอ่ะจะต้องเป็นองค์ประชุมทั้งรูปและนามทั้งข้างนอกและข้างในตามวิโมกข้อที่สอง วิโมกข้อที่สองเพราะฉะนั้นจะต้องมีวิโมกข้อที่สองน้ครบกายด้วยกายถูกต้องวิโมกแปดด้วยกายวิโมกแปดนี้ก็ตั้งแต่ข้อหนึ่งไปถึงข้ทั้งข้อแปดต้องสัมพันธ์ต้องเกี่ยวข้องอยู่ทั้งหมดตั้งแต่รูรูปแล้วก็ไปรู้ข้างในรู้นามแล้วก็ตั้งนามตั้งข้างในข้างนอกถึงขั้นอะรูปนี่รวมหมดเลยในข้อหนึ่งกัสองของวิโมกนี่เปต้องประชุมทั้งหมด ซึ่งมันยากมากเพราะว่าท่านเรียนกันสอนกันให้ไม่ต้องเกี่ยวข้องต า, าอยู่ในการไม่รับรู้อย่าให้จิตออกไปเรื่อดออกนอกตัวจะไปเกี่ยวจูข้างในจมอยู่ข้างในนั่นจมอยู่ในปวังอยู่ในพพเท่านั้นเลียงกันมาอย่างนี้จริงๆเลยอาตมาก็แม่หนักหนาสาหัสนะแต่จิตยึดอยู่อย่างนั้นอาตมาถึงบอกว่ามันหัวเดียวกับเทียมเรียบจริงๆเลยอจะมีใครมาเอาจริงเอาจังว่าที่อาตมาพาอธิบายอย่างนี้กัน และอาตมาพยายามเอาหลักฐานอ้างอิงจากตาราต่อพระอนุศาสนียมายืนยันพระพุทธสอนอย่างนี้อย่างนี้ถ้าไม่อย่างนี้มันไม่บริบูรณ์นะไม่ครบนะสัจธรรมไม่บริบูรณ์นะต้องรู้สัจธรรมให้บริบูรณ์จึงจะเชื่อถืออย่างบริบูรณ์ได้แล้วก็จะทําโยนิโสมนัสิการอย่างบริบูรณ์ได้ถ้าไม่งั้นโยนิโสมนัสิการเป็นอโยนิโสมนัสิการแน่นอนนะไม่บริบูรณ์หรอกนะ เอาละทีนี้ถ้าคุณฟังอาจจะมาไปแล้วคุณเข้าใจคุณก็จะไปกําหนดหมายได้ถูกเรียว่าสัญญาไปกําหนดหมายเวลาปฏิบตัติเวลาประพฤติคุณก็กําหนดหมายนะโดยคุณสร้างสัญญาฝึกสัญญาของคุณนี่แหละคือตัวจิตเจตสิกของคุณนี่แหละเรียกว่าสัญญาเจตสิกเนี่ยทําหน้าที่ทําให้มัน มีมี ม, มีมีคุณสมบัติกําหนดหมายรู้ซึ่งจริงๆมันก็มีโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะโดยปกติมันก็มีเป็นธรรมชาติเป็นสามัญอยู่แล้วมันก็รู้กําหนดหมายรู้อยู่แต่เราไม่ได้เรียนเราก็เลยมารู้มันเป็นยังไงค่อยค่อยศึกษาไปอ๋อจิตเรากําหนดหมายรู้มันไปรู้เออกาหนดหเอออันนี้ ม, มารารคอั น, นี้ลองกอง ไอ้นี่ดอกไม้ไอ้น like ี่สมเด็จปู่วิชิตอวิชาไอ้นี่อะไรเนี่ยก็คือจิตของเรามันไปอาการของจิตมันเป็นหน้าที่มันทํางานอะทำงานกําหนดรู้นั้นกําหนดรู้นี่กําหนดรู้นี้นั่นมันไปทํางานมันก็กําหนดรู้เลยถ้าไม่กําไม่ทํางานก็คือหน้าที่ของสัญญาเจตสิกก็มันก็จะกําหนดรู้ทีนี้ถ้ามันกําหนดรู้แต่ข้างใน มันก็กําหนดรู้ข้างในถ้ามันมันกําหนดมาสัมผัสข้างนอกเลยกําหนดฟังเสียงกําหนดเอากลิ่นกําหนดรู้กลิ่นกําหนดรู้รสลิ้นสัมผัสกําหนดรู้กายสัมผัสเยดสีคุณก็กําหนดรู้ไปทั่วรู้ไปหมดครบนี่นักข้างนอกข้างในคุณก็กําหนดรู้ในเพราะฉะนั้นการกําหนดรู้ในนี่แหละยากไปเลยทีนี้ และกําหนดรู้นอกที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ไปเนื่องไปถึงข้างในเรียกว่าอุปาทายรูปรูปที่ต่อเนื่องจากตากระทบรูปข้างนอกแล้วมันก็เข้าไปรู้ข้างในเพราะว่าข้างในมันจะรู้มันต้องรู้ข้างในมันไม่ได้รู้ข้างนอกมันไม่ได้มีภาพจออยู่ข้างนอกจอมันอยู่ข้างในในภาพในแล้วเราก็รู้ด้วยประสาทของเราข้างในประสาทวิญญาณก็อาศัยประสาทหรือสมอง เป็นตัวที่ทำงานร่วมกันกับจิตวิญญาณจิตวิญญาณธาตุธาตรู้ด้วยนามธาตุของเรานามมาทของเรามันก็ไปร่วมกันกับประสาทหรือรูปธรรมที่อยู่ในสี่รีระของเราคือสมองหรือประสาทก็ไปรับรู้ไปรู้นะรู้มาเป็นทีน่นี้รู้มาเป็นภาพไอ้คำว่ารู้มันจะซําซ้อนมากเลยรูปหรือภาพ ภาพเอามาจากคําว่าภาวะหรือภาวะจิแปลว่าสภาพหนึ่งสิ่งที่ปรากฏอยู่เป็นอยู่มีอยู่เป็นรูปก็คือมีรูปเป็นนามก็คือมีนามปรากฏอยู่เป็นนามธรรมเป็นลีลาอยู่ในนามธรเป็นกิริยาอยู่ในนามธรรมเป็นอาการอยู่ในนามธรรมราะใครเป็นาสามารถอ่านอาการกิริยานามธรรมหรืจิตของเราได้เราก็สามารถที่จะ กำหนดหมายรู้นามธทําของเราได้สัญญาคือการกำหนดหมายรู้ทั้งนอกที่เป็นมหาภูต ร, รูปอุปาทายรูปเนื่องเข้าไปข้างในถูกรู้โดยเราเรียกว่ารูปรูปที่ถูกรู้จากอุปาทายรูปเป็นองค์ประชุมข้างในเรียกว่ากายในกายในกายในองค์ประชุมนี้เข้าไปข้างในกายในกายถูกรู้แต่ตัวรู้ เรารู้เป็นการแจ้งเป็นการรู้แจ้งรู้ชัดเป็นนามตัวรู้ี่เป็นปนามตัวถูกรู้เป็นรูปเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนามมาทําข้างในเข้าไปที่นี่เป็นนามมาทําแล้วจากกายไปเป็นตัวรับรู้ตัวแรกที่มันจะรับรู้ปรุงพรุกเลยนะั่นเรียกว่าวิเวทนาเวทนามันเป็นความรู้สึกเราสึกปรุงการงพรุบปรุงเป็นสุขปรุงเป็นทุกข์ปรุงจับตาก็าเรียกว่า จักขูเวทนาจักขูเวทนาจักขุหรือาาตุงเป็นจักรูปรับเสียงตุงปุ๊บก็บไปเป็นโสตะเวทนาอะไรอย่างนี้เป็นต้นจมูกดิ้นกายก็จะเป็นภาษาบาลีก็เป็นตัวรู้โสตะนึกขานะหรื อ, อชิวหาอะไรไปผลกระพาะไปมันก็ไปรู้ข้างในเข้าไปเรื่อยๆ พป ล, ละเอียดก็ไปถึงขั้นรู้ข้างในเป็นนามมารูปมันก็ยังยังต่อเนื่องเป็นองค์ประชุมอยู่ข้างนอกเลยนะเราเป็นปัจจุบันธนะรรมขณะนี้เราเห็นเรารู้มันก็ไปรู้เข้าไปข้างในแล้วเราก็อาหารมันเดี๋ยวนี้ก็คุณที่รู้อะไรอะไรอยู่คุณก็เห็นในขณนะคุณสัมผัสอยู่ปัจจุบันเท่านั้นแหละแม้ที่สุขขดขณะนั้นคุณสัมผัสแล้วคุณเกิดกิเลสหรือไม่เกิดกิเลสเห็นอะไรชอบหรือไม่ชอบมันก็อยู่ในขณะที่คุณสัมผัสอยู่ตรงนั้นน่ะ กิเลสมันก็เกิดในปัจจุบันขนาดนั้นเนี่ะคุณก็อ่านไปรยชนกระตั่งวิจัยจับตัวกิเลสได้ก็จะเห็นตัวกิเลสสดๆเลยมันกําลังเกิดบัดเดี๋ยวนี้เลยขณะนี้เลยสัมปติเดี๋ยวนี้เลยมันเกิดณบัดนี้อยู่เลยบัดเดี๋ยวนี้เลยปัจจุบันนี้เลยรัดหลัดนี่เลยของแท้เลยอ น, นี่นเป็นของวิทยาศาสตร์ของพระพุทธเจ้าเป็นวิทยาศาสตร์เลยะ เพราะงั้นกายนี่ขยายความมาละเอียลละ อ, อเพิ่มขึ้นสัญญาคือตัวกําหนดรู้แล้วมันจําได้ไว้ด้วยนะพักความจําไว้สัญญาแปลว่าความจําก็คือก็เป็นคุณสมบัติของสัญญาอย่างหนึ่งตอนนี้เรากําลังขยายคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือเป็นกําหนดรู้มันทําหน้าที่กําหนดรู้นี่แหละสําคัญอันนี้เนี่ย วันเมื่อรู้ความหมายของกายกู้ความหมายของสัญญาแล้วในวิญญาณทิฏฐิเจ็ดก็ดีศตวารษเก้าก็ดีผู้สามารถที่จะแยกออกว่านี่คือองประชุมนี่คือสัญญาองค์ประชุมที่คุณจะได้ถ้าคุณเองมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิของคุณไม่ตรงสัญญาคุณก็ไม่ตรงด้วย สัญญาวิปุลาข้าเคลื่อนไปจากสัจธรรมวิปลาคือการการกําหนดรูก้ก็วิปุลาไปจากสัจธรรมเมื่อสัญญาวิปลาไปจากสัจากสัจธรรมแล้วปฏิบัติยังไงยังไงมันก็จะเห็นวิปุลาเพราะฉะนั้นสมาธิจิตจึงสําคัญมากเลยเป็นต้นทางสมาธิจิตเป็นประธานของการปฏิบัติทั้งหมดเลยในมรรคองแปดที่จะไปสู่อรหันเนี่ย เพราะถ้าทิฏฐิไม่สมาแล้วกำหนดรู้จิตไม่ได้แล้วหมดนะวิปลาดโดยอำนาจสำคัญกั็วิปลาดด้วยคิดผิดวิปลาดด้ยเห็นผิดอย่างวิปลาดในของที่ไม่เที่ยงวิปลา ด, ดในของที่เป็นทุกข์วิปลาดในของไม่ใช่ตนวิปลาดในของที่ว่าไม่งามอวิปลา ด, ดวิปลาดที่ของที่ไม่งามงามคำนี้คือสุภารือเปล่าอสุภา Somewhere. งามเห็นไม่งามว่างามเห็นว่าควรไม่ควรเห้นว่าหน้าพึงใจไม่เห็นว่าไม่น่าพึงใจว่าหน้าพึงใจนะสุภาษะนี่แหละคงจะเป็นควมว่าสุภาษะ์นี่เอาคบมีภาษาไทยมาให้อัตมาอ่านเอาที น, นี้เข้าสู่เรื่องพยายามที่จะปูวความหมายของคำว่ากายคำว่าสัญญาเมื่อผู้ใดมิฉาทิฐิมิชาทิฐิก็จะกำหนด สัญญาก็จะดิปลาดสัญญาก็จะกําหนดผิดผิดเพราะฉะนั้นกายที่กําหนดคือองค์ประชุมของรูปของนามก็จะต่างกันที่เรียกว่ากายต่างกันนานาตากายาสัญญาต่างกันต่อให้คุณกําหนดถูกสัญญาอย่างเดียวกันนะอันนี้ต่อไปมันจะยากสัญญาอย่างเดียวกันแต่มันได้กายต่างกันหรือแม้ว่าลึกกไปกว่านั้น กายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันแต่คนนึงสมมาทิฏฐิคนนึงมิจฉาทิฏฐิในข้อสี่ข้อสี่เนี่ยนะขั้นคนนึงมิจฉาทิฏฐิคนนึงสมมาทิฏฐิแต่กายนะ่ได้อย่างเดียวกันสัญญาก็อย่างเดียวกันแล้วมันจะมิชาทิฏฐิกันอย่างไรนี่ยากมากเลยอธิบายอาตมา ก, ก็ พยายามเรียบเรียงคําอธิบายนี้มาเป็นเดือนแล้วนะก็ยังได้อยู่หน้าสองหน้ากระดาษลบแล้วลบอีกแก้แล้วแก้อีกบนไปบนมาจนกระทั่งที่จริงเป็นหลายหน้านะแต่เรียบเรียงแล้วเก็บไว้ยังไม่ค่อยจุใจเลยที่จะเอามาใช้ี่จะเอาอันที่จุใจพอไปดูอีกทีแก้อีกดูแล้วแก้อีกแม่มันยากเลยจะสื่อเป็นภาษาไทยภาษาบาดีท่านไม่ค่อย ต่างกันหรอกแต่จะมาสื่อเป็นภาษาไทยขยายภาษาไทยเนี่ยและอาตมาไม่เก่งภาษาบาลีด้วยก็ต้องใช้อาศัยทจนานุกรมของเจ้านั้นเจ้านี้เจ้านี่เจ้านั่นมาเทียบเคียงมาดูแล้วอาตมา ก, ก็ต้องโอ้โหเก็บมาตรวจสอบและสภาวะธรรมที่อาตมามีเพราะอาตมาจะแปลสิ่งเหล่านี้ตามสภาวะธรรมที่ตนเองมั่นใจว่าอย่างนี้ถูกต้องเมื่อเอานมามธรรม พูดเป็นตัวรูปธรรมนี้กับพวกคุณเ อ, อ้ยยิ่งละเอียดคันปรมัินี่นะเอาเถอะพวกคุณไม่ไม่เจอเจอเวลานั้นมั่งไงมารู้กันไปอาจจะมาเป็นโพธิษัตวนี่ทำงานนี้เนี่ยมันแสนยากตรงนี้อ้าวเอ า, เอาละเข้าใจคำว่า ก, กายกับสัญญาพอสมควรแล้วทีนี้ทวนสัตว์บางพวกมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันในข้อที่หนึ่งมนุษย์ผู้ที่ วิชฉาทิฐิก็จะเห็นอย่างนึงพุทธิสมาทิฐิก็จะเห็นอย่างนึงโดยเฉพาะพวกที่มิชฉาทิฐิก็เห็นเละกันไปหมดเลยต่างกันไปหมดอ่าเห็นต่างกันไปหมดถ้าบอกว่ามนุษย์อรามนุษย์แบบไหนเรามนุษย์ตัวตนบุคคลเราเขาก็จะเข้าใจมนุษย์ไปแบบตัวตนบุคคลเราเขาอ่าซึ่งต่างกันมันไม่เหมือนกันหรอกแฝงยังไม่ค่อยเหมือนกันเลยยังมีที่สังเกตได้ะ สังเกตไม่ได้เลยรูปประทับเหมือนกันหมดเลยนะมาโหมีใยเหมือนกันมีจุดตรงนั้นตรงนี้เหมือนกันเปี้ยเลยก็ตามเดินเหินนิสัยใจอคอกิริยาอะไรต่างๆนาะนาะผู้ที่อยู่ชินชินอยู่ใกล้ๆกันจะรู้ได้สังเกตได้อมันไม่มีอะไรเหมือนกันไม่หมดไ ม, ไม่มีอะไรเหมือนกันไม่หมดนเพราะฉะนั้นที่บอกว่า กายต่างกันสัญญาต่างกันนี้ข้อที่หนึ่งนี่ก็คือทั่วไปอุตุชนทั่วไปยังไม่เข้าเกณฑ์ที่จะมากําหนดอะไรเลยต่างกันไม่หมดยิ่งไปกับผู้ที่เป็นอาริยะด้วยแล้วแน่นอนพูดก็ไม่รู้เรื่องเราพูดถึงคุณะคุณธรรมพูดถึงมนุษย์มนุษย์จิตสูงเขาก็จะสูงแบบไหนอ่ะจิตสูงก็กําหนดความสูงไปคนละอย่าง อะไรงนี้เป็นต้นบางทีก็เรากาหนด ถ, ถึงนามธรรมเขาก็กําหนดรูปธรรมบอกว่ามนุษย์เขาก็บอกนี่เอาโมปลอมๆสองขาสองแขนนี่มนุษย์พอเราบอกมนุษย์โซจิตนะจิตสูงนะอ้าวมนุษย์โซเขาก็ไปเลยถ้าไปเทวานิยมก็อ้าวจิตก็เป็นจิตเป็นวิญญาณเป็นตัวเป็นต้นเป็นรูปเป็นร่างก็ไม่ยังมีแขนมีขาอยู่นั่นแหละน่ะเป็นนามธรรมแล้ว ก็ยังมีแขนมีขามีตัวมีตนมีรูปมีร่างอยู่ตั้งแี่พระพุทธเจ้าตรัสอัธมกพยายามเก็บพระบาลีหลักฐานมาเรียบเตรียมมาให้ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสว่าสิ่งเหล่านี้มันเห็นได้เป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างอยู่อันนิสัพสนังอัศรีรังอนัตตาอะไรต่างๆนานาพวกนี้มันไม่มีรู้รึเปล่าตัวตนสีสันเห็นได้ด้วยตาเป็นรูปร่างสัมผัสไปเห็นไม่ได้เหมือนอย่างการตัวตนรูปร่าง น่ะมันเหมือนแสงสว่างท่านบอกเยียนางันิทัศนังนาันตังสัพโตภพั ง, งนี่เป็นต้นน่ะหแม้แต่มโนโหรือจิตเนี่ยน่ะทุรังขมังเอกจรังอัศรีรังคูงหาสยังอะไรต่างๆนานาพวกนี้นตมาก็พยายามเก็บมาจากหลักฐานพระเตปิฎกคำตรัสรู้จ้าว่ามันไม่มีสรีระให้เห็นแต่รู้ได้โดยอะไรก็ไปตามเจอในพระตปิฎก เล่มสิบข้อหกสิบจำได้อันนี้เพราะว่าจะเห็นได้เห็นรูปเป็นนามนี่แม้จะเป็นนา ม, มารับเห็นได้โดยอาการลิงคนิมิตอุเทศอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นหลักฐานที่พระเจ้า ต, ตรัสไว้ศึกษาให้ดีแต่เพราะไปเชื่อก่อนแล้วซะแล้วว่าเป็นแบบเทวนิยมวิญญาณก็มีตัวตนมีรูปร่างมีสีสันไม่จะไปรู้รูปนามด้วยอาการลิงค์นิมิต หายไปเลยตั้งแต่จะมียืนยันในปฏิปิดกเป็นคำสอนอุปจาว่ารู้สิ่งเหล่านี้ได้ด้วยปรมัตตต่างๆจิตเจตสิกต่างๆรู้ได้ด้วยอาการลิงคานิมิตอุเทสอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นเราจะสัมผัสรู้กายเนี่ยคำว่ากายที่รวมแล้วจึงไม่ใช่รูปร่างตัวตนสีสันเลยแต่เป็นอาการลิงคานิมิต ฟังอุเทศที่อาตมาขยายความสู่ฟังเนี่ยขยายความสู่ฟังแล้วก็ไปอ่านของต น, นเองเอโกโดยตนเองอ่านของต น, นเองอ่านให้ออกมือสัมผัสแล้วอออาการอย่างนี้เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานอาการอย่างนี้เรียกว่าสัตว์นรกอาการอย่างนี้เรียกว่าเทวดาอาการอย่างนี้เรียกว่ามนุษย์อาการอย่างนี้เรียกว่าพรหมหรือวิสุทธิเทพอย่างนี้เป็นต้น ก็จะรู้ได้ด้อาการลิขานิมิตมันจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างตัวตนและก็เห็นอยู่ในร่างกายเรานี่แหละสัมผัสแล้วก็เห็นอาการอย่างนั้นก็จะรู้เป็นธรรมทิฏฐานรู้เป็นธรรมะไม่จะเป็นบุคราทิฏฐานเป็นตัวตนบุคคลเราเขาเป็นรูปเป็นร่างไม่ใช่แต่แม้จะใช่มันติดมันชินมันเกิดเป็นรูปร่างก่อนอย่างเช่นพระโมคคานะเป็นต้น ท่านติดท่านมีรูปมีร่างมีตัวมีตนนม้นวสมาธิถี่แล้วก็ก็รู้แล้วว่านี่เป็นสิ่งแทนเมื่อกรูปเนี่ยปั่นพระรูปพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่เป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้าเพรจะนั่งพู้ใดที่ไม่ติดยึดในเรื่องพระพุทธรูปแล้วนะพระพุทธรูปองค์เล็กองค์ใหญ่องค์ปั้นแบบไหนหน้าตาแบบไหนถ้าเราไม่ติดยึดเราก็เคารพรับถือะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันหมดทุกอง ชั้นใดก็ชั้นนั้นน่ะผู้ที่รู้แล้วก็ไม่ได้ไปติดยึดแต่แค่รูปร่างรูปปัตนพระพุทธรูปอา่าจะเป็นหน้าตารูปร่างอย่างโน้อนอย่างนี้อะไรอะไรต่างๆในนาสารพัดที่เกิดจะทำขึ้นมานับแบบไม่ได้เลยเป็นล้านๆแบบเราก็ไม่ได้ติดใจเราจะเคารพคารวะเราก็เคารพคารวะนิมิตหรือเป็นรูปตัวตนรูปร่างนั้นๆแต่เราไม่ได้ติดอยู่แค่นั้นไม่ได้ติดอยู่แค่ ไอ้รูปร่างวัตถุตัวตนเราเคารพพระพุทธเ จ, จ้าอย่งนี้เป็นต้นแต่ผู้ที่ไม่อย่างนั้นก็ไปพระพุทธรูปองค์นี้แหละใช่พระพุทธเจ้าองค์นั้นไม่ใช่เพราะว่าพระพุทธรูปองนี้น ม, มีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพรูปองค์นั้นไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ใช่มันก็เละเทอะไปใหญ่เลยพระพุทธเจ้าเขาศักดศักดิ์สิทธิ์ก็ท่านอะไรศักดิ์สิทธิ์ทุกคุณการทของท่านศักดิ์สิทธิ์คำสอนของท่านศักดิ์สิทธิ์ องไหนรูปไหนก็ถ้าจะเราจะเป็นสิ่งแทนเพราะแค่นี้ต้องรู้ว่าเรายึดติดอยู่ในรูปรูปเป็นเราเราเป็นรูปรูปเป็นตนตนเป็นรูปยึดติดแค่นี้ยังโอ้โหยังเยอะเลยติดยึดกันยังมากเลยเพอจะใช้แทนเป็นสิ่งแทนอาศัยสิ่งนี้แทนแต่เนื้อแท้ที่เป็นจุดสําคัญคืออะไรคนนั้นก็ใช้อาศัยพวกนี้เท่านั้นเอง ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นยิ่งเป็นสิ่งแทนเข้าไปหานามมาทําที่ลึกซึ้งาการต่างกันพวกนี้เนี่ยก็เห็นต่างกันอ่าเห็นสัญญากำหนดหมายต่างกันแล้วองค์ประชุมความประชุมในรูปในนามก็ต่างกันหลากหลายจัด <c oughs> ในข้อต่อมามีข้อตกลงนทตต น, นิห <c oughs> นา มีกายต่างกันแต่ว่ามีสัญญาอย่างเดียวกันเช่นกำหนดหมายบอกว่าอย่างนี้นะกําหนดอย่างนี้เป็นนามธรรมานามธรรมา ท, ที่หมายความว่าเช่นว่าเราเทพจะพวกพรมที่เกิดในปฐมวชานน่าทันยกตัวอย่างในสัต ใ, ในวรยานทิเิหรือสตาวาข้อที่สองน่ยน่าผู้มีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันก็คือกําหนดว่า เป็นฌานเราจะไปสภาพขององค์ประชุมของความเป็นฌานจิตวิญญาณนะหมายถึงจิตแล้วตอนนี้จิตวิญญาณที่เป็นสภาพภาวะของฌานพราะมภาวะของฌานกําหนดหมายผู้ที่ศึกษาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเทวนิยมไม่ว่าจะเป็นนั่งหลับตาหรือลืมตาสัญญาอันเดียวกันจุดหมายสําคัญก็คือสภาวะของจิตอันนั้นไม่มีกิเลสนิวรณ์ ถือว่าฌานนี้ไม่มีกิเลสนิวรณ์เป็นจิตสงบสงบจากอะไรสงบจากนิวรณ์ห้าไม่มีนิวรณ์ห้าอยู่ในจิตทาจิตในจิตมณนสิการหรือมณนสิกโรติทาจิตในจิตให้มีจิตในขณะใดก็ตามทาให้จิตไม่มีนิวรณ์อยู่ในอาการทำนาจิตของเราทาแล้วเมือม่อใดเมือ่อใดขณะใดอย่างไรก็แล้วแต่ ถ้าไม่มีนิวรณ์ห้าอันเดียวกันหมดสัญญาตรงนี้ตรงกันหมดแต่ผู้ที่ในมิจฉาทิฏฐิกับสมาธิฐิได้องค์ประชุมของความเป็นไม่มีนิวรณิตากกันของพุทธนั้นลืมตาเนี่ยจิตก็ไม่มีนิวรณ์ในบัดใดบัดนั้นเหมือนกันคุณปฏิบัติลืมตาพวกสายสติ เขาอว่าสติรู้สัมผัสรู้รู้แล้วก็พยายามอย่าไปปรุงไปแต่งอย่าเ ป, นป็นึกไปคิดวางทิ้งทิงทิง้มันเป็นสมถะวิธีสมถะลืมตา <c oughs> นะแล้วก็ฝึกเขาฝึกกัน ก, ก็ฝึกได้ได้ประโยชน์เหมือนกันได้ประโยชน์เหมือนกันเป็นสมถะอย่างหนึง่งช่วยถ้าเข้าใจได้ว่ามันเป็นสมถะช่วยอาศัยแต่มันไม่ได้ละลางไม่ได้กําจัดกิเลส มันไม่ทำลายอนุสัสมันเพียงสร้างนิสัยลืมตาเนี่ยสร้างนิสัยกดข่มแล้วก็ทำไว้ไม่ได้ไม่ได้รู้จิตเจตสิกไม่ได้รู้ตัวเหตุปัจจัยแล้วก็กำจัดกิเลสปัจจัยอย่างรู้ๆเลยว่ากิเลสนั้นดับไปเพราะปัญญาดับไปเพราะไฟฌานนี่เป็นฌานปฐมฌานก็ตามอ่าแต่ฌานหนึ่งสองสามสี่ก็ตาม พลังของไฟฌานนี่เป็นพลังปัญญาที่มีฤทธิ์มีอิทธิมีฤทธิ์เป็นมโนมยิทฉิสามารถทำลายกิเลสได้เป็นมโนมิทฉิจริงๆเป็นอิทธิฤทธิจริงๆมีฤทธิ์ยิ่งกว่าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะจึงเรียกว่าฌานเพราะจิตของเรานี่เป็นฌานจิตของเราเป็นไ ฟ, ไฟ เรีว่าไฟชารนนี่แหละชารนแปลว่าไฟกองใหญ่เนี่ยเป็นไฟพิเศษที่สามารถทําลายไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะซึ่งเป็นพลังงานและสามารถชารนี่เป็นถึงเป็นไฟพลังงานที่สามารถกําจัดไฟราคะไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะได้เมื่อผู้สัญญาหรือเข้าใจทิฏฐิทิิฐอย่างไม่สำมา เขาก็เลยสัญญาว่าไม่มีนิวรณ์แต่วิธีต่างกันวิธีทำต่างกันความรู้ต่างกันความเห็นต่างกันไปปฏิบัติก็เลยปฏิบัติต่างกันเมื่อปฏิบัติต่างกันสัญญาคำนวหมายก็ต่างกันที่จริงสัญญาว่าลึกๆจะซ้อนให้ดีนะสัญญาว่าจิตไม่มีนิวรณ์เนี่ยคุณจะได้กายความเป็นองค์ประชุมของจิต ที่ในขณะจิตที่ไม่มีนิวรณ์เนี่ยอันนี้เรียกว่าฌานอันนี้ตรงกันแต่สัญญามันต่างกันเพราะทิฏฐิเหตุเป็นเหตุทิฏฐิมันเห็นผิดมันเลยไปสัญญาต่างแต่จริงๆในสัญญาของคนนั้นน่ะแม้จะต่างคุณก็ไปเหมือนกับทิฏฐิเดียวกันลัทธิเดียวกันแต่ตัวเนื้อหาแท้เป้าหมายแท้ ไม่มีนิวรณ์เหมือนกันพุทก็เหมือนกันที่สมาธิถิก็ไม่ให้มีนิวรณ์เหมือนกันวิชาติถิที่ไปเทวานิยมก็ตามถ้าบอกเนี่ยว่าฌานเนียวว่าสมาธิจิตสงบจิตที่ทําให้ไม่มีนิวรณ์อยู่ในจิตขณะนั้นขณะนั้นจ้ผู้ขณะนั้นเพราะว่าผู้ที่ไม่ได้กําจัด ก, กิเลสจนพ้นอนุสัยได้แต่นิสัยยังเหลืออนุสัยทั้งนั้น แต่ตามให้จิตขณะที่ทำนั้นน่ะไม่มีนิวรณ์ไปชั่วพักชั่วคราวได้เป็นฌานได้เป็นความสงบได้ไม่มีนิวรณ์ห้าได้เพราะเยนนั้นปฐมฌานก็คือไม่มีนิวรณ์สามารถ บางผู้บางคนอยู่ในพวกสายปฏิบัตินี่ก็สร้างนิสัยไม่ได้ล้างอนุสัยนะตั้งแต่นิสัยกดคมมันไม่ให้มันขึ้นมาและไม่ให้มันขึ้นมาและไม่เกี่ยวข้องไม่รู้ไม่เห็นไม่สัมผัสไม่เกี่ยวไม่ข้องไกลไปอยู่ในธรรมในภูเขาในที่ไกลลึกลับคอยปรุงแต่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีลาบยอดสันเสริญกระทบสัมผัสอยู่แดงๆอะไรเขา หนีหนีต่อผัดซับนี่คือความแตกต่างระหว่างศาสนาพุทธศาสนาที่คนละอย่างคนละทางนะศาสนาพุทนั้นอยู่กับมันตัดไปก่อนมันมากเกินที่เราจะทําได้เราเออกแค่นกรอนแคบแคบแค่นีกรโลกก็ทํากันจัดจ้านๆล้วก็รู้ว่า เออเราเอาแค่นี้นะ่พอแล้วไอเรื่องลาบเรื่องยศเนี่ยถ้ามันทุจริตแล้วเลิกก่อนเลยนะเบื้องต้นลาบยศสันเซินอะไรเนะี่ยทำมันทุจริตเลิกก่อนเลยเอาสุจริตก่อนแม้มันยังมากๆอยู่ก็ไม่ว่า ก, กันอะไรอย่างนี้นะรูปรถจงเสียงสะพัดจะตีนากก่าคือยังไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เอาจริงเอาจังอะไรนะักยังชอบรูปชอบรถชอบกลิ่นชอบเสียงอะไรอยู่จัดจ้านอยู่ก็เอาไปก่อนเอาห ย, ยาบๆแค่ อย่าร้ายจงกระทั่งโทรสจัดฆ่าแกงกันอย่าร้ายจนกระทั่งทุจริตของไม่ใช่ของเราเราก็ไปเอาของเขาไปโกงไปโกหกไปอะไรพวกนี้ไปโกหกก็อยู่ข้อสี่ราคาก็จัดจ้านขนาดนั้นขนาดนี้ถ้าเรื่องคู่เรื่งเพศก็แค่เัวเดียวเมียเดียวนี่นก็เลื่อแ ล, แล้วแล้วรูปรดตื่เสียงสะพัสก็มันจัดจ้านขนาดไหนของคุณคุณก็ลดของคุณเองที่ เราจะต้องแหม่จะต้องเอารูปอย่างนี้รถอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้เสียงอย่างนี้จัดจ้านอะไรนักคุณก็รู้ของตัวเองเพราะฉะนั้นในศีลแปะจึงเกี่ยวกับรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสเยอะหรือฐานะการปรุงแต่งกันอิภูสนทานานที่มันมากมากรู้ราผู้ฟ้าจัดขึ้นไปอีกเกินกว่าเขตก็เข้าใจใน ภาษาที่ท่านพยายามบัญญัติขึ้นมากําหนดสิ่งเหล่านี้นะสรุปแล้วผู้ที่ข้อสองเนี่ยได้องค์ประชุมของจิตที่ไม่มีนิวรณ์เนี่ยมันจะมีองค์ประชุมของจิตต่างกันจิตสงบของผู้ที่มีวิธีต่างกันรนัธิต่างกันทิฏฐิต่างกันแม้จะหมดนิวรณ์ห้าเหมือนกันอย่างเดียวกันสัญญากําหนดให้นิวรณ์ห้าไม่มีและก็ทําได้เหมือนกัน ก็จะได้ความเป็นฌานที่มีองค์ประชุมของฌานต่างกันตั้งแต่รูปธรรมง่ายๆก็คือส่วนใหญ่ของฌานนั้นนะ่ะตาหูจมูกลิ้นกายปิดแต่อยู่แต่ข้างในพบข้างในนี่ก็เป็นกายโยชัดๆเลย น, นะนักกายโยที่ชัดองค์ประชุมของรูปรูปกายชัดๆอยู่แล้วอ่า รูปกายของเขาหดไปอยู่แต่ น, นามข้างในจิตข้างนอกไม่มีเลยสัมผัสไม่ได้สบผัสตาหูจมูกลิ้นกายแล้วทำไม่ได้ไม่มีนิวอณไม่ได้นี่คือความเก่งของศาสนาพุทธที่เก่งกว่าศาสนาฤุศีเพราะฉะนั้นท่าศีนห้า สัมผัสสัตว์จิตก็ไม่ไม่คิดจะทำร้ายทำลายเลยแม่เขาจะมาทำร้ายทำลายอะไรเราก็ไม่โกรธไม่ทาร้ายไม่คิดจะต้องทำร้ายเขาอย่างน้อยที่สุดไม่มีฆ่ า, าแกนไม่มีทำร้ายกันถึงตายไม่ทำชีวะให้ตกร่วงจะใช้คาว่าอย่างนั้นปานาติปาตาแปลว่าอย่างนั้นไม่ทาชีวะให้ให้ตกร่วง ของที่ไม่ใช่ของเราสิ่งก็สองสุจริตไม่เอาสุจริตให้มันตายลงไปดูสิว่ามันไม่เอาของคนอื่อนนี่มันจะอยู่ไม่ได้พึ่งตัวเองไม่รอดเพราะฉะนั้นข้อแรกที่ว่าออัตโนโนาโถก็นี่แหละตนเองพึ่งตนเองได้ถ้าคุณเองทํากินทําใช่มีอะไรอะไรมาอาศัยใช้สารขุงตนเองหามาใชา้สารตันเองไม่ได้ คุณแยกก่อนเดรัชานนะ่นะอาตมาพูดไม่รู้กี่ทีแล้วเดรัชานมันยังหาเลี้ยงตัวพึ่งตนเองได้ทุกตัวเลยทำให้ทุกตัวตัวไหนมันเลี้ยงไม่ได้มันก็ตายเพราะเดรัฉานมันรอดเป็นคนไม่รอดมันก็ทับกับเดรัชานนะพึ่งตนเองไม่รอดเดรัฉานมันยังพึ่งรอดและเป็นคนพึ่งไม่รอดแยกกับเดรัฉานใช่ไหม อคนพึ่งตนเองเลี้ยงตนเองทําตนเองอย่างสุดจริตไม่หยุดจริตยังไม่รอดเลยแย่กว่าเดริชันอตอตโนนาถอเบื้องต้นง่ายๆพึ่งตนใ้อรอดเพราะฉะนั้นการพึ่งตนเอ้รอดก็คือเราต้องอมีกายกรรมวจีกรรมเหมือนสัตว์เดริชันมันออกมีเลี้ยวมีแร ง, ม, รงมีความสามารถก็ออกไปอย่างน้อย ก, ก็เลี้ยงทำมหาจินในเลี้ยงตนเองรอดสิ่งที่จําเป็นสําคัญปัจจัยษสี่ อะไรย่างนี้เป็นต้ น, นผู้ที่รู้จักคําว่าชานนี่ยังไม่ค่อยถูกต้องเพราะเข้าใจคําว่าองค์ประจุมของจิตยังไม่เข้าใจวิมโมกขแปดรู้ปีรูปานิปสิตจนกระทั่งอาจจะต่างรู้ปีรู้อาจจะยังไม่ลึกไปถึงอรูปอรูปอรูปรจิตภายในต้องภายในต้องรู้บ้างแล้วไม่งั้นจะไปรู้นิวรณ์ได้ไง ว่าอาการนิวรณ์เป็นยังไงแล้วไม่มีนิวรณนจะรู้เองคุณต้องรู้บ้างแล้วภายในมันุกทจะขั้นอรู้ไม่ห่าแต่รูปนี่เวลาสัมผัสแต่ต้องตาหูจมูกลิ้นกายแต่ต้องจางหูจมูกลิ้นกายในภายนอกเนี่ยมันเป็นนิวรณ์ยังไงมันเกิดอาการนิวรณ์ยังไงคุณต้องอ่านอาการนิวรณออกในขณะสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายส่วนผู้ที่ปฏิบัต คนละอยา่างพุทธิคุละอย่างวิธีปฏิบัติคนละอยา่างลัทธิคนละละทัทธิแม้เป็นพุทธก็ไปเอาลัทธิที่ไม่ใช่ของพุทธไปหลับตาเอาแต่อยู่ข้างในเอานิวรไม่ไม่มีอยู่แต่ข้างในเท่านั้นพอลืมตาข้างนอกไม่ได้เพราะไม่ได้มันก็ไม่สอดคล้องกับสังกปะวาจากรรมัตะอาชีวะเพราะการปฏิบัตมิมรรคองค์แปรมูเจา้านั้นทั้งทํางานทําการอาชีพทั้งกรรมันตะ กรรมกิริยากายกรรมวัจีกรรมรรรมโนกรรมกรรมทุกอย่างสัมผัสสัมพันธ์อยู่ทุกอย่า ง, างวัจีด้วยสังกปะนึกคิดด้วยมันก็ไม่ครบไม่สมบูรณ์ไมส่สอดคล้องกับคําสอนของพุทธเจ้าทุกสูตรทุกสูต ร, ส, ตรสูตรนั้นี่สูตรนี้มาเกี่ยวข้องกันอย่างนี้เป็นต้นนะร่างการประจบของพรุทธเจ้านั้นพร้อมไปหมดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายทํางานทําการสัมผัสสัมพันธ์อยู่นะ แล้วเราสามารถอ่านจิตของเราได้องค์ประชุมของกายจึงต่างกันเป็นชาญหนึ่งไม่มีนิวรณ์เหมือนกันสัญญาอย่างเดียวกันกายองค์ประชุมของจิตที่นอกและในต่างกันเห็นชัดชัดอยู่แล้วพลธิพุทธกับพลธิไม่พุทธมิโมกแปดที่จะต้องด้วยกายสัมผัสด้วยกายต่างกันละ ข้าพุทเจ้าี่บอกว่าคุณจะเป็นอรหันต์ได้คุณจะต้องมาปฏิบัติสัมผัสในโมกข์แปดเด็กกายข้อสามข้อหนึ่งในเริ่มต้นมีการปฏิบัติข้อสี่สูงขึ้นไปถึงอรูปฌานนะข้อสองในะรูปฌานข้อสามสัตว์บางพวกมีกายอย่างเดียวกันตานี้มีสัญญาต่างกัน กายอย่างเดียวกันอเอกตเอก ต, ตะกายา <c oughs> กายาก็กายเอกตตะก็อกย่างเดียวกันแปลอย่างเดียวกันไปก่อนเ น, นอตาตรมจะแปลตามแบบพองอมาบ้างไว้ค่อยค่อยว่ากันตอนหลังตอนนี้ไปเรื่อยๆก่อนเบื้องต้นอย่างเดียวกันกายอย่างเดียวกันสัญญาต่างกัน ดกตัวทนยกตัวอย่างเช่นเทพอภัสราอภัตราแปลว่าแสงสว่างนะอภัตราลาแปลว่าแสงสว่างเพราะผู้ที่ปฏิบัติแล้วจิตมันเป็นแสงสว่างแสงสว่างสว่า ง, ว, างว่างโล่งเพราะฉะนั้นมันขั้นอรูปฌานนะที่จริงในในรูปฌานที่สี่ รูปประชานที่สี่ชาตที่สี่อุเบกขาก็ว่างแล้วแต่มันยังมีการสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับความรู้สึกที่มีเกี่ยวข้องกับมันมีเหมือนกับมันมีพพเป็นรูปประพบมันเมื่อนมันมีพบมันมีลิ่นน้ำไฟลมมันมีอะไรที่ยังยังพอรู้สึกหยาบอยู่นะพออารูปประชาน ฟังดีๆนะทางสายตัตาเขากกําหนดว่าออารูปิชาญอากาศซาณจายตนะเนี่ยคือความว่างอากาศคือความว่างหรือท้องฟาเวิร์งว่างโล่งไปหรืออวกาศเนี่ยออกไปข้างนอกโลกจริงอวกาศจริงเวิร์งว่างกว้างใหญ่เลยไพศาลเลยไม่มีที่สิ้นสุดจึงเรียกว่าอนันโตอากาโซติวางโล่งไป สัพโตประพังเคยคายงั้นนะ่ะแสงสวาง่างทะลุทะลวงไปไกลอนันโตอากาโซติไม่มีอะไรขัดก็ไม่มีอะไรสะนดุดไม่มีอะไร เ, เป็นรูปร่างตัวตนวต่างโล่งไปหมดสว่างไกลไปเลยนะอภัสราหรืออักอกอภัสราเนี่ยเทพอภัสราแสงสว่างงั้นที น, นี้อภัชราที่กําหนดว่าเป็นสว่างสว่างเนี่ย อย่างเดียวกันเหมือนกับฌานฌานสี่โดยฌานเบื้องตน้นก็ตามไม่มีนิวรณ์กําหนดอย่างเดียวกันท่านก็บอกว่ามันจะได้อย่างเดียวกันคือกายคือองค์ประชุมของสว่า ง, ส ว, างสว่างเนี่ยว่วางๆลงโล่งเนี่ยอภัสราเนี่ยว่างๆลงโลง่งสว่างไม่ติดขัดอนันโตอากาโซติ อ น, นันโตคือทะลุไปเลยไม่มีที่สิ้นที่สุดว่างอากาโซว่างไ ป, ททไปหมดทะลุทะลวงไปหมดไม่มีที่สิ้นสุดนะฟังให้ดีนะกายอย่างเนี้ยลักษณะที่เดินได้องค์ประชุมของจิตแบบเนี้ยจิตที่ว่างโล่งไปหมดเนี่ยนะไม่มีอะไรติดขัดนะแต่สัญญามันไปต่างกัน สัญญาของพวกชาวมิจฉาทิถิหรือว่าที่ไม่ได้เป็นแบบพุทธก็จะไปได้ทําฌานแบบพบอยู่ในพบอยู่ในภวังส่วนใหญ่ก็จะไปปั้นรูปประชานอารูปประชานรูปแบบอา่อาอตมาก็เคยอธิบายแล้วอารูปประชานอย่างฤาษีที่นั่งสมาธิหนึ่ปึ้งออกไปโอ้โหว่างลงสว่างอยู่อย่างนั้นเลยอลองดูที่นี่มันนั่งนั่งอยู่นี่ก็มากพอสมควรใคร ปฏิบัติมาใครเคยได้อรูปฌานอากาสามัง่งหนึ่งลายสองยกสูงสูงสิอย่ามันงอแ ง, งอย่างนี้ทําไมล่ะก็ยกให้รู้แล้วก็ถามหน้าสองลายมีสองลายแค่นั้นเองอ่ ะ, ะนะเพราที่นั่งสมาธิเนี่ยจะปึ้งของเขาเนี่ยนะอาตมาก็อาตมาก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันมันก็ปึ้งเหมือนมันหลุดโลกอ่ะเหมือนมันหลุดออกไปจากโลกที่หยาบหยาบอยู่ มันจะรู้สึกแบบหยาบอยู่อารมณ์มันมันพอมันหลุดออกไปจากโลกนี้เหมือนกับหลุดจากโลกจริงๆอา้าวแล้วมันว่างโลง่งสว่างโลง่งว่างหมดเลยว่างอย่างโอ้โหเป็นกายว่างองค์ประจุของจิตตอนนี้ว่างโล่งเลยนะอา่าวว่างโล่งอย่างเดียวกันเลยของพุทธก็ว่างโล่งอย่างเดียวกัน แต่ว่างโล่งยังไม่หลุดปึ่งงั้นหรอกรู้แจ้งเห็นชี้คือข้างนอกในนี่แหละนะคุณเองน่ะนะอาตมา จ, จะยกตัวอย่างผู้ที่หลุดพ้นแล้วนั่นแหละคือผู้ว่างหลุดพ้นแล้วไอ้สิ่งที่ยังมีอยู่เนี่ยเราไม่เกี่ยวไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่ติดแต่สัมผัสสัมพันธ์รู้เข้าใจ พออาศัยก็อาศัยไม่พออาศัยเลยบอกวมันจัดจ่ายไปแล้วมันว่าไม่ต้องอาศัยเลยก็ไม่ต้องอาศัยถ้าจะพออาศัยก็อาศัยมันเช่นเราอยู่กับโลกเขาเนี่ยเราไม่ติดขัดอะไรเลยกับสิ่งที่โลกมันมีของสิ่งนี้ในโลกหลายคนเขาติดเขายึดเขาไม่ว่างเขาดูดเขาดึงเขาผลักทั้งดูดทั้งดึงทั้งผลักเอาเริ่มต้นตั้งแต่เป็นเรียกว่าสิเป็นอบายหยาบต่ําที่สุด เอาอย่างผู้หญิงนี่เอายกตัวอย่างง่ายๆอะนะไม่ต้องเอาอะไรเอาเครื่องแต่งตัวง่ายๆเนี่ยเอาแค่ทาปากลิปสติกเนี่ยอัตมาลองสอบทานพวกชาโวโซ่เราดูแค่ลิปสติกเนี่ยหลายผู้หลายคนติดมาก่อนเดี๋ยวนี้ว่างละไม่ติดไม่ยึดแล้วเช่นเขาทําก็ทําอยู่ก็ทําไปแล้วก็ว่างโล่งสบาย ไม่ได้หนักในใจไม่ได้นั่งใจอะไรเลยไม่ได้ผลักไม่ได้ดูดอะไรเลยไม่ได้ลิศยาไม่ได้ห้อยหาอาวรไม่มีเลยโลง่งกว้างโลกโปร่งสบายแม้ที่สุดเขาจะให้ขึ้นเวทีต้องแต่งหน่อยนะต้องทาลิสติกหน่อยนะตอนนี้ต้องสมมตินามตามเรื่องนะเป็นนางโมรานะเล่นคู่กับจันทร์โขก เออต้องทาปากหน่อยนะปเป็นตัวแสดงเป็นนางนี่เป็นตัวนางนะแล้วก็เอา้าจําเป็นที่จะแสดงตัวนี้จริงๆเราก็ทาให้หรือจะออกงานโอ้ยงานนี้ก็ต้องใช่นะเอาเราสมมติเล็บติดบางทีเขาก็คงไม่ติดอะไรนักถ้าเราจะไปทาจริงๆเขาคงไม่ว่าแต่บางงานต้องใส่นะบางงานต้องใส่ต้องอาศัยอันนั้นไปทั้งทั้งที่มันดุ้งดังทั้งที่มันเข่าเรื่องแต่เราก็จําเป็น เราก็รู้ว่าเออนี่ภาวะจำยอมจำเป็นแต่เราก็ไม่อุอดอัดอะไรก็ทำได้ถ้าคนาจะติดอยู่กับอุอดอัดทุกร้อนอ่ะก่อนมันยังไม่โล่งไม่ว่างล่มันมันยังผลักไม่ดูแล้วไม่อยากได้แล้วแต่คุณยังผลักมันก็ไม่ทั้งผลักไม่ทั้งดูดนี่แหละว่างโล่งนี่คือลักษณะอภัสราลักษณะอากาศซาลักษณะ โล่งโปร่งว่างใสสว่างโปร่งหมดเลยโตร่งใสก็ได้อย่างเดียวกันกายอย่างเดีแต่สัญญาของผู้ที่ไปทําสัญญากําหนดหมายด้วยวิธีลัทธิของใครลัรทธิของอีกอันหนึ่งก็ไปได้สว่างแบบนั่งชานเพราะฉะนั้นในเรื่องของวันวิญญาณทิฏฐิเกต 7, หรือสัตตวาด้านี่คือเรื่องของลัทธิ ต่างและที่มันก็จะต่างกันในจะได้กายต่างกันจะได้สัญญาสัญญาจะกําหนดต่างกันแม้จะใช้คําว่าอย่างเดียวกันก็ต้องลึกซึ้งเนี่ยอยากที่อธิบายตั้งแต่ชานหนึ่งมาตั้งแต่ชานมาข้อสองนะสัญญาอย่างเดียวกันพอมาข้อสามกายอย่างเดียวกันแต่สัญญาต่างกัน แสงสว่างเป็นต้นอภัสราเป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ใดผู้ใดเข้าใจแล้วก็ทำได้ทีนี้ผู้ที่สามารถทำได้ทั้งสองอย่างก็จะรู้ว่าโอ้อยังนั้นก็เป็นอย่างนี้อยากจะมาทำอภัสราเป็นอาการานั่งในพบในผวังในฌานหรือสมาธิแบบนั่งแต่ตมาก็ไม่ได้แปลกอะไรแล้วก็เข้าใจว่ารู้เออนราจะได้อาการอย่างนั้น่ะ ร่ากายที่เรามานี่ก็กชัดเจนถ้าเราได้ทั้งสองอย่างมนะันจะชัดมากเลยเพราะมันเหมือนกันอย่างไรมันต่างกันอย่างไรโดยรายละเอียดมันโอ้โหละเอียดมากที่มันจะชัดเจนละเอียดมากโดยยาก บ, บางทีคนที่ยังผูกไม่ถึงก็ยากอยู่เนี่ยมันยากมันก็จะยากเนียนี่ก็สามสัตว์บางพวกมีกายอย่างเดียวกันสัญนยาต่าง ก็คือกําหนดวิธีหรือสภาวะที่จะต้องได้คุณก็ต่างกันไปกําหนดหมายว่าจะต้องได้ว่างแต่สัญญาอภัชรานั้นเมื่อได้สภาพธรรมที่รวมแล้วในจิตมันรู้สึกรู้สึกจิตรู้สึกว่างๆนั้นมันเหมือนกันกายมันเหมือนกันองค์ประชุมมันเหมือนกันทั้งนอกได้ไนในเป็นทั้งรูปกายได้น า, นา ม, มากายว่างลงแต่ของอีก พวกหนึ่งได้แต่นา ม, มากายรูปปกายที่มันเกี่ยวข้างนอกด้วยหรือมันมีรูปรูปด้วยเขาไม่ได้เขาออกมาจากฌานนั่นแล้วอรูปฌานนั่งเขาไม่ว่างโดยเฉพาะไม่ว่างด้วยกิเลสทิฏฐิยึดกิเลสทิฏฐิยึดอ่าเขาไปอยู่ในธรรมะนั้็เขา้เขาไปอยู่ในภพนั้นเขานั่งอรูปฌานได้ปึ้งเลยนะ พอออกมาคนที่ไม่เลี้ยนก็มาทาลิสติกใหม่อยู่อภิบาลอภิธรรมเนี่ยคนจะอธิบายไปทำมันเก่งอย่างทาลิสติกแจ้อยู่อาตมาเห็นอภิบายลึกเลยนะอภิธรรมในย่านชั้นยอดเลยอาตมาก็เออคนนี้อธิบาลไปอภิธรรมเนี่ยโหสุดยอดไม่จิตไม่คิดอะไรโล่ว่างหมดเลยเหมือนกับพระอรหันต์อธิบายแต่ก็ยัง อก็ เ, เห็นแต่งตัวยังพลิ้งเลยอายุก็มากขึ้นแล้วนะก็ยังพลิ้งแต่งหน้าด้วยสติเอา้าพูดไปไปได้จะหาว่าเราหมายว่าคนนั้นคนนี้เอาต่อมาทีนี้ยากขึ้นแล้วสัตบางพวกที่สี่นะโอ้โหนี่เข้าไปชั่วโมงที่สองแล้วเลยเนี่ย มันจะยากนี่แหละอธิบายปรมัตที่ลึกขึ้นไปมันจะยากอ่าที่สี่นี่นะเป็นขั้นนิโรธแหละ น, กนะกายเอยไม่ใช่กายวิญญาณทิติทีท่ข้อที่สามหรือสัตตว่าข้อที่สามเนี่ยมันขั้นอรูปฌานพอขั้นที่สี่สัตว์บางพวกมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกัน นะวิธ or like ีจําจํางี้ข้อต้นต่างกันทั้งคู่กายกับสัญญาพอต่อมาเนี่ยสัญญามันเอาสัญญามันมันต่างมันเอาต่างกันทั้งกายทั้งสัญญามันต่างมันทั้งกายทั้งสัญญาต่างกันพอข้อที่สองมันยังต่างกันอยู่เพราะถ้าขึ้นต้นมันก็ต่างคือกายเราพูดกายก่อนสัญญาใช่ไหมกายมันต่างแต่มันเริ่มแล้วมันเริ่มมีอะไรแตกต่างก็คือครข้างในมันก็อย่างเดียวกันเพราะฉนนั้สัญญามันอย่างเดียวกัน พอมาข้อสามมันถึงจะอย่างเดียวกันข้างหน้าและมันก็ไปต่างกันข้างในเป็นสัญญาต่างกันกายอย่างเดียวกันพอข้อที่สี่มันเดียวกันเลยทั้งคู่ข้อหนึ่งกข้อสี่อย่างเดียวอันอันนึงอย่างต่างกันทั้งคู่อันนึงอย่างเดียวกันทั้งคู่ข้อสามข้อสองกับข้อสามข้อข้อสองใกล้กับไอต่างกันไอข้อสาม ก็ใกล้กับไอโคสี 4, อย่างเดียวกันอย่างเดียวกันทั้งคู่วิธีจำํำนะมานะวิธีจำํำง่ายๆจะได้ไม่สับสนพออย่างที่สี่นี่กายอย่างเดียวกันนี้อธิบายยากมากเลยอายจารมาจะ ต, ต้องอาศัยการเรียบเรียงมันขั้นนิโรธล้วนะมันขั้นนิโรธแล้วน ะ, น ข, นนะนะขั้นนิโรธเนี่ยเอ่อ ถ้าเผื่อว่าเป็นนิโรธเป็นนิโรธก็คือภาวะดับความดับนะทีนี้ความดับที่ว่าเนี่ยทั้งคู่เนี่ยนะมีสัญญาความดับเหมือนกับเขาไอ้ความมีนิวรณ์ห้าไม่ไม่มีนิวรณ์ห้าใน 5. ข้อสองไม่มีนิวรณ์ห้านะสัญญาไม่มีนิวรณ์ห้า อันนี้ก็สัญญากำดับดับนะดับแต่มิช้าทิฏฐิดับไม่เหมือนกันแหละคนหนึ่งดับก็ดับดับเป็นอะไรท่านยกตัวอย่างเช่นเทพสุปกินนะหา่าหรือสุปกินนะหะพรมกินนะหาแปลว่ามืดแปลว่าดำสุภะแปลว่าอันน่าพึงใจหรือเป็นโชคของเราแล้วหนอ เป็นโชคของเรา้นาะได้เป็นพระพรหมพราะคุณทําสําเร็จก็ ค, คุณก็สําเร็จสําเร็จอะไรสําเร็จได้ความดับเหมือนกันแต่ดับของคุณนั้นดับมืดกินนะฮะในความดับมืดสัญญาอย่างเดียวกันม่าดับก็พุทธก็ดับพุทธก็ได้เป็นสุภะเหมือนกันแต่สุภะของพุทธนั้นดับกิเลส จับตัวตนของกิเลสที่นี่วิธีของอที่ไม่ใช่พุทธนิโรธของไม่ใช่พุทธนี่เขาจะทำความดับก็เข้าไปสู่ผวังวิธีต่างกันเพราะรทาทัที่ต่างกันคําสอนต่างกันทฤษนีทิฏฐิต่างกันเพรทิฏฐิต่างกันก็ทํานิโรธโดยวิธีนั่งหลับดับ ดับไปหมดเลยแม้กระทั่งกายและใจไม่รับรู้อะไรหมดเลยจึงเรียกว่า น, นิโรธใจก็ไม่รับรู้ไม่รับรู้กายก็ไม่รับ ร, ร, บรู้เข้าไปก่อนละพอเข้าไปผวังไปเป็นฌานคุณก็เริ่มฌานของเขาจะแบบนั้นนะ่ะฌานของเขาก็จะต้องไม่รู้ทวารตาหจูจมูกลิ้นกายก่อนเข้าไปข้างในเขาก็ไม่มีนิวรณ์ตอนนี้แม้มีนิวรณ์ก็ดับมันเลยเลยเอรูปฌานไป ตึกอาตมาก็เคยอธิบายฟังว่าอย่างสายที่นั่งสมาธิหลับตาหรือทําฌานหลับตาเนี่ยพอเป็นฌานที่ห้าที่หกหรืออรูปฌานหนึ่งสองก็เป็นเรื่องที่ยังมีแสงสว่างเป็นอัตชลาเพรา ะ, ะนั้นเขาเป็นนั่งปึง้งอภัตชลาเขาอยู่ไดที่แสงสว่างกับวิญญาณวิญญาณก็อยู่กับตรงนั้น่พอรู้สึกตัวว่าเราอยู่ในแดนสว่างนี้ก็อยู่ตรงนั้นในภพนั้นในภพสว่างอภัตชลา อากาศาข้าวิญญาณนาจารองอันนี้เป็นพบสว่างแต่เราแต่ไปเรียนกันมาว่าเฮ้ยสว่างมันยังไม่ใช่นิพานมันต้องดับถ้ายังสว่างอยู่ไม่ใช่นิพานต้องดับก็เริ่มดับไม่รับรู้ดับแทนที่จะไปเรียนกิเลกก็ไม่รู้จักกิเลสเพราะว่าสว่างหรือว่าเป็นรูปฌานก็ไม่มีแล้วกิเลสเนะข้าไปอยู่ในนิวรตอนนั้นนะ ก็เขาไม่อไปอยู่เข้าไปอยู่ในพบตอนนั players, ements, ้นอ่ะเป็นรูปประพบอรูปปพบนะวิธีปฏ sure ิบัตินั่งหลับตานี่สร้างพบเข้าไปอยู่ในรูปประพบอรูปพบไม่ได้ดับพบเลยนะไม่ได้ดับเหตุที่มันเกิดพบเกิดชาติเลยไม่ได้ดับความเกิดไม่ได้ดับพบนะความเกิดก็คือเกิดเพราะไอ้ตัวกิเลสที่มันเกิดอยู่จริงๆก็คือดับกิเลสนั่นแหละไม่ให้มันเกิดชาติพอกิเลสไม่เกิดมันก็หมดพบหมดชาติ ก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอย่างนั้นไม่เข้าใจไม่ได้เรียนมารายละเอียดอย่างนั้นก็ไปทําจิตให้มันอยู่อย่างนั้นสร้างภพให้เป็นภพที่มีสภาวะตัวตนไปเกิดเป็นสัตว์อยู่เพราะงั้นเมื่อไม่รู้สัตว์ต่างๆพวกนี้ในสัตววาาก็ไปสร้างความเป็นสัตว์ต่อแม้ในข้อที่สี่นี่ก็เป็นสัตว์เป็นพรหมสัตว์เรียกว่าสุภกินอาหารพรหมเป็นพรหมสัตว์นะสุภกินอาหารพรม สุปกินหะพรมเป็นอย่างไรสุปกินนหะพรมก็คือพรมที่มีกินหะมีความดำความมืดดำมืดดำคือไม่มีแสงสว่างมืดดำตรงข้ามกับแสงสว่างก็เลยเป็นอรูปฌานในขั้นนิโรธก็คือขั้นเลยแสงสว่างไปในฌานที่นั่นไม่ใชานในมี ญ, ญาณทิฏฐิข้อที่สาม นี่ข้อที่สี่ก็ไปถึงคันนิโรธเจียวคันนิโรธเลยนะตอนนี้ดับปีเลยกินนะคมันยากจะอธิบายก็ตรงที่ว่าเอาคนนึงนั่งเข้าไปดับหลับปีกับดับนิโรธของพระเจ้าดับกิเลสนั่นนะ่ะมันจะอย่างเดียวกันได้ยังไงมันจะอธิบายยากเหมือนเมื่อกี้นี่แสงสว่างก็ยังอธิบายยากเหมือนกันนะ เพราะว่าอภัฒราสว่างก็สว่างข้างนอกเหมือนกันสว่างโดยที่ไม่ติดยึอะไรเพราะนิโรดนี่ก็คือนิโรดคือดับเลยดับสนิทดับเนี่ยมันไม่ได้ว่างเป็นอรูปเป็นรูปปานเพราะนรูปประชานนี่คือว่างอรูปปัจานนี่คือว่างยิ่งกว่าความว่างความเฉยความเป็นกลางว่างยิ่งกว่าเฉยยิ่งกว่า เป็นกลางยิ่งกว่านะเพราะฉะนั้นเมื่อสามารถดับเป็นดับได้แล้วจนกระทั่งดับไปจากอย่างพุทธนี่นะดับกิเลสดับเรียกว่า น, นิโรธด้วยกันใช้ประสานนิโรธตัวเดียวกันอย่างเดียวกันชัญญาว่านิโรธด้วยกัน วิธีทําต่างกันเพราะทิฏธิต่างกันลัทธิต่างกันเท่านั้นเพราะอย่างผู้ที่มีลัทธิที่ไม่เหมือนกันเขาก็ไม่ได้ดับสุภกินนะะองค์ประชุมเรียกว่ากายเขาก็ได้กรรมมันกายดํามืดอ่าที่จริงบอกว่ากายอย่างเดียวกันนะคือกายดับกายเขาก็ดับกายของพุทธก็ดับ เพราะกายของกิเลสนั้นดับสนิท ด, ดับไปฟื้นเลยเพราะฉะนั้นนิโรธของศาสนาที่ไม่ใจรพุทธจึงเข้าเข้าออกๆ อ, อ, อยู่ในการนั่งเข้าไปสู่ภพแล้วก็ออกจากภพเรียกว่าเข้านิโรธออกนิโรธต้องเข้าต้องออกอยู่ไม่มีแล้วไม่มีเสร็จจะเข้าก็ต้องนั่งสมาธินั่งจับตาแล้วก็เข้าไปสู่นิโรธดับนะ เราะเขาก็ดับเขาเข้าออกอยู่นั้นไม่เสร็จเพราะว่าเขาไม่ใช่นิโรธที่ดับกิเลสแต่เป็นแค่ทําความมืดดําให้ตนเองเป็นครั้งเป็นคราวจึงต้องมีภาวะจะเข้านิโรธน่ะมานอธิบายทับเขาจะถามกันในพระเตดียดกมิญเจะเลยน่ะภาวะเข้าอย่างไรภาวะกําลังเข้าอย่างไรภาวะเข้าแล้วเป็นยังไงอ่าและภาวะออกเป็นยังไงจะออกเป็นยังไงกําลังออกเป็นยังออกแล้วเป็นยังไง นะเขาก็จะถามกันอย่างนั้นนะพวกที่ยังเรียนรู้กันมาก็จะเข้าตรงออกแบบนั้นจะมีอาการอารมณ์ยังไงแต่ของพุทธไม่ได้เป็นอย่างนั้นเชื่ออรรมมาก็พยายามหยิบที่ตัวอย่างนี่จะซักถามกันเอามาขยายความให้ฟังไปเรื่อยๆก็ตั้งใจฟังเพราะมันละเอียดลึกซึ้งนะอวันนิโรธที่พุทธิยามีภาวะต้องไปเป็นว่า ต้องเข้าจะเข้านิโรธก็เตรียมตัวจะเข้าพอเข้าไปนั่งหลับตากําำลังเข้าเข้าไปอยู่ในนิโรธแล้วจะออกจากนิโรธก็เออออกจากนิโรธออกจากนิโรธแล้วออกมาลืมตาก็เข้าๆออกอย่างเงี้ยนะพอออกมาแล้วก็ไม่มีนิโรธฟังดีๆนะออกมาแล้วก็ไม่มีนิโรธไม่มีความดับเพราะมันไม่ใช่ความดับ ที่แท้มันแค่ความมืดดำเข้าไปสู่ความมืดดำแล้วออกจากความมืดดำออกม า, าเขาใจะให้ชัดนะเขาใจดีๆนจะมีนิโรธอีกก็เข้านิโรธอมไยแล้วก็ออกาการนิโรธอีกเร็วๆเหล่าๆก็เป็นมณสิกการแบบหนึง่งเป็นการทําใจในใจแบบหนึง่งมณสิกกานคือการทําใจในใจ การทำใจในใจของตนเองซึ่งในวงการศาสนานี่มีต่างกันหลายแบบการทำใจในใจนี่มีหลากหลายอาจารย์แต่และภาคการทำเป็นการทำใจในใจในวงการศาสนานมีต่างๆกันหลายแบบการทำใจในใจแบบนี้ที่ไม่ใช่เข้านิโรธแบบพุทธเท้าก็ทำกันแบบที่อามาอธิบายไปแล้วบนเวียนอยู่อย่างนี้อ่ากวนเวียนอยู่นี้นิโรธเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้ อขึ้นไปข้างบนลงมาข้างล่างมันขึ้นข้างบนข้างบนเขากําลังคลําหาเขาไปเอ็กอนนวนอยู่นี้นั่นแหละนั่นตัวใหญ่นั่นตัวเฮลฟี่นั่นเวียนวนอยู่อย่างนี้นิโรธเขาก็อยู่อย่างเนี้ยทําได้ก็ถือว่าผู้สา ม, มารถทํานิโรธเป็นคนสาเร็จทําให้ เขาเป็นดำเป็นมืดนี่นะพวกที่ไม่เจพุทธเนี่ยถ้าภาคเพียรทํามากๆก็สามารถทําได้เก่งทําได้นานอทําได้เก่งทําได้ไวทําได้นานอะไรงี้เข้าไปแล้วก็ทําได้ดีเก่งกันอยู่ที่ว่าถ้าใครเข้าเข้าไปทําดำความมืดดําเนี่ยแล้วก็หลงเรียกว่าทำนิโรธเนี่ยทําได้อยู่นานเท่าไรก็เก่งเท่านั้นดับอยู่เช่นนั้น่ะติดต่อกันได้นานเท่าที่จะสามารถนามันต้องฝึกต้องซ้อมนอวกว่าจะสามารถ ดับอยู่ได้นานเป็นชั่วโมงดับได้็นนานมากชั่วโมงเท่าไหรเท่าไรก็เก่งขึ้นเท่านั้นเท่า น, นั้นอยู่ได้เป็นวันอยู่ได้หลายวันว่ากันว่าคนเก่งนีนเข้านิโรธอยู่ได้ถึงเจ็ดวันแล้วก็กลับออกจากนิโรธมาเป็นไม่มีนิโรธก็กลับออกมาไม่มีนิโรธอีกไม่มีความมืดความดำอีกอ่ะเข้าออกออ ก, ก็อยู่อย่างเงี้ยอนิโรธที่มาเจ่พุทธคือนิโรธอย่างนี้เก่งอย่างนี้ถ้ากลับเล่นแล้วก็เลิก แล้วก็กลับมาเล่นกันไม้วนอยู่อย่างนั้นเนี่ยในก็เป็นนิโรธสามันที่คนส่วนมากเข้าใจกันทั่วไปส่วนสัญญาเวทีตานิโรดนี้ที่เป็นของพุทธเนี่ยเป็นนิโรธที่สํารอกเหตุคือกิเลสนั้นๆเนี่ยสํารอกกิเลสนั้นๆเหตุนี่คือกิเลสนั้น ๆ, กกนน ๆ, นนๆให้ลดละจางคลายไปตามระดับที่อาตมาใช้คําว่านั้นๆก็เพราะกิเลมันก็ต้องไล่ จับสักกายะตัวกิเลสตัวไหนที่เราจะหรืออัตตาตัวที่เรากําลังจะกําจัดมันไปสํารอกมันไปสํารอกกิเลสรู้ตัวตนของกิเลสสารอกตัวตนของกิเลสจัดมันไปไปตามลําดับกระทั่งหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงเหตุของพวกนี้มีที่เหตุปัจจัยดับเหตุทุกอย่างดับหมดมีคําสอนเป็นของเดียวว่าภาษารีบุตรไปทไี่ฟังอันนี้จากพระอัจฉริยโธนั้น ไม่เอาแล้วรัที่อื่นเอาลัที่นี้แล้วอย่างเดียวเนี่ยคํานี้แหละดับเหตุสนิทแล้วเหตุก็คือกิเลนนั้นๆนะลดละจางคลายไปเรื่อยกระทั่งสิ้นเกลี้ยกิเลสอาสะวะนะกระทั่งเกลี้ยกลียดอาสวะสุดท้ายเลยเกลียยกิเลสอาสะวะสุดท้ายไม่มีเกิดอีกในจิตไม่มีเกิดในจิตอีกไม่มีเกิดอีกเลยตลอดไป ก็หมดสิ้นเหตุเป็นนิโรธสมาบัติฝให้ดี น, นิโรธสมาบัตินี่คือดับเหตุสิ้นหมดเลยเข้าบรรลุสมาบัติแปลว่าการบรรลุเข้าถึงถาวรกิเลสดับถาวรตลอดไปไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกอะไรแบบนั้นกิเลสดับแล้วก็อยู่ลืมตาโปรงงนี่แหละจึงมีความต่างกันในทิฏฐิในความเป็นจริงต่างกันในทิฏฐิต่างกันในความเป็นจริง แต่สภาพบอกว่านิโรดนิโรดเหมือนกันอย่างเดียวกันสัญญาว่านิโรดเหมือนกันในองค์ประชามองค์อง อ, องค์ประชุมกายอ่าที่เป็นองค์ประชุมของจิตที่ได้มันไม่มีเรียกว่าไม่มีอันนั้นก็ไม่มีแต่ไม่มีมืดๆไอ้นี่ไม่มีคือกิเลสไม่ไม่มีเพราะสับคําว่ามีก็ไม่มีของพระเจ้าโตสองคำนี้แหละสําคัญมากนะจึงมีความแตกต่างกันในทิศถิหรือความเป็นจริง เมื่อแต่ละคนเป็นคนละอย่างก็แตกต่างกันตามเหตุที่ต่างกันตามผลที่ต่างกันแต่การกำหนดหมายไปกับสมมุติเป็นคนสามารถใช้สมมุติอย่างเดียวกั น, นาการกำหนดหมายไปกับสมมติเนี่สามารถใช้สมมติอย่างเดียวกันเช่นสมมุติที่ใช้ภาษาว่านิโรธหรือความดับ เมื่อต่างก็ทํานิโรธได้แล้วต่างก็มีนิโรธของตนของตนเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันนี่แหละเอกตักอย่างเดียวกันเช่นเดียวกันแปลว่าท่านแต่กันว่าอย่างเดียวกันก็เช่นเดียวกันมันก็ขวาหมายเดียวกันจะมาเช่นเดียวกันอย่างเดียวกันนี่แหละนิโรธตลอดของตนเช่นเดียวกันเป็นนิโรธทั้งกันทั้งคู่เลยอนิโรธจริงๆต่างคนก็ต่างสัญญาว่านิโรธของตนของแต่ละคนเหมือนกันภูมิชัดทิฏฐิผู้อยู่อีกฝั่งนึงก็ตาม ก็นิโรธเหมือนกันองประชุมคือกายที่เกิดขึ้นของภาวะนิโรธก็ต่างมั่นใจตนเองว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วคือภาวะที่มั่นใจตนเองวันนิโรธฝ่ายฝ่ายที่ไม่ใช่พุทธเขาก็ว่านี่แหละนิโรธของเขาอย่างเงี้ต่างสัญญาหรือกําหนดหมายไว้ในใจของแต่ละคนวันนิโรธแน่ๆของตนของตนตามสัญญาตามที่ได้ปฏิบัติ แล้วก็ บ, บรรลุผลสําเร็จของตอนนี้ไม่ใช่อื่นนิโรธแงงแง่ต้องเอาภาษาทั่วไปอาตมาก็ยังไม่เก่งนะ่าตาแต่ภาษาทั่วไปต้องใช้ชแสด ง, งของเขานี่ต้องจุงเบยมึงอะไรมึงชิมิมึงอะไรนี่อาตมาไม่ไหวแง้งแง่นี่ก็เลือแล้วอาตมาก็เก่งแล้วนะแงงแง่เลยนี่หลานิโรธแงงแง่เลยตามก็กําหนดสําคัญมั่นหมายไว้คือสัญญาว่านิโรธ หรือความดับก็ต้องอย่างนี้อย่างนี้และต่างก็ได้เช่นเดียวกันเอกกัตตาเอกกตตกายาเอกกตะสัญญโนสัญญาอย่างเดียวกันกายอย่างเดียวกันเอกกตะสัญญากายอย่างเดียวกันเอกกตะสัญญโนสัญญาอย่างเดียวกันก็อย่างเดียวกันอย่างนี้อย่างเดียวกันกำหนดอย่างเดียวกันนิโรธอย่างเดียวกันตามความรู้ของตนว่านิโรธฉะนั้นการมีกาย าการมีกายคือมีองค์ประชุมของภาวะที่ต่างก็เข้าใจว่านิโรธต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ของตนต่างก็ได้ภาวะนั้นนั้นสมใจตนเลยกันทั้งคู่ได้นิโรธทั้งคู่เลยอย่างเดียวกันเลยกายก็ดับเหมือนกันสัญญาก็นิโรธเหมือนกันจึงต่างก็มีเอกัตตะอย่างเดียวกันต่างก็มีเอกตตะที่แปลกันว่า อย่างเดียวกันท่านแปลว่าอย่างเดียวกันกายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันนะเอกะตะกายาเอกะตะสัญญโ น, นอัตมาขอแปลบ้าเอกะตะนะอัตตนี่ที่จริงแล้วเนี่ยในพจนานุกรมวาลีหลายๆเล่มอัตมาก็ไปค้นได้มาท่านแปลว่าสิ่งซึ่งถูกสมมุติขึ้ น, นสิ่งที่ถูกสมมติขึ้นหรือว่า แปลว่าอะไรอื่นเดี๋ยวแต่สิ่งที่สิ่งซึ่งถูกยกขึ้นมาหรือสิ่งที่โศกถูกสมมุติขึ้นมายกขึ้นมาซึ่งที่สุสมมติขึ้นมาเอกะนี่แปลว่าโดยตนเองเอเกตต์เอะตะเอตตาเป็นสิ่งที่ถูกสมมติขึ้นมาหรือว่าสิ่งที่ซึ่งถูกยกขึ้นมานะเอเกะโดยตนเอง เพราะฉะนั้นสิ่งอันนี้ก็จึงหมายความว่าเอกตะจึงหมายความว่าสิ่งซึง่งถูกสมมุติขึ้นโดยตนเองกับอัตตะอัตตะกับเอกะนี่เป็นเอกตนะนะสิ่งที่สมมุติโดยขึ้นโดยตนเองตอนเองหรือรว่าสิ่งที่ถูกสิ่งที่ถูกยกขึ้นหรถูกสมมุติขึ้น คนนั้นคนนั้นเขาสมมตนนินิโรธเทก็ไดานิโรธอนั้นของพุทธก็สมมุติแต่สมมุติของพุทธนี่เป็นสมมุติที่ขั้นสมมติชั้นสูงสมมุติขั้นปรมัตสมมุติที่เป็นเรื่องลึกเลยเป็นผู้รู้เป็นผู้เป็นเป็นเรื่องที่เหนือชั้นกว่าที่เกินสมมุติไปอีกนถูกยกขึ้น ถูกทาขึ้นสมมติขึ้นสมมติแปลว่ารู้รู้ร่วมกันระหว่างผู้รู้สมมติสมมติรู้ร่วมกันนะโดยการทำภาวะนี้ทำภาวะอันดับในวันนี้โรดนี่ได้ขึ้นม า, นาทีนี้ทั้งคู่เนี่ยได้นิโรธทั้งคู่แต่นิโรธตามทิศสัญญาก็มาสัญญาวันนิโรธเหมือนกัน สับสนไหมสัญญากับทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิต่างกันทฤษฎีต่างกันทิฏฐิหรือทฤษฎีเดียวกันอ่าภาษสกฤตก็ว่าทิษดีอ่าเขาเป็นบาลีก็ว่าทิฏฐิทิศดีอ่าต่างกันแต่มาสัญญาทิศดีคนละทิศดีแต่มาสัญญาอย่างเดกันวันนี้โรดดับนะจึงได้ดับต่างกันเพราะต่างก็กําหนดหมายไว้ในใจว่านี้โรดหรือดับ ก็ต้องอย่างนี้อย่างนี้เช่นเดียวกันะต้องอย่างนี้ท่าทิศทิศอันโน่นกันอย่างนี้ทิฐิอันนี้ก็อย่างนี้ทิศทิคือของสมมาธิทิหรือมิจฉาทิิใครจะว่าใครก็แล้วแต่เถอะนะก็ต้องอย่างนี้เช่นเดียวกันตามความรู้ของตนของตนความรู้ของใครของมันว่านิโรธอย่างเงี้ยนิโรธส่วนทิศทิที่ต่างจากพุทธก็สัญญาว่าสมมตินี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แบบนี้แบบนี้ทิศทิที่ต่างกันกับพุทธ ึงต่างคนก็ต่างได้ตามที่ตนสัญญาสมใจและได้กายนั้นนั้นสมใจตนทั้งคู่ต่างคนต่างได้ทั้งคู่ต่างก็เข้าสู่สมาบัติสาเร็จตามสัญญาว่านิโรธตามสัญญาวานิโรธของตนของตนกันทั้งคู่คือต่างกำหนดว่าเป็นนิโรธของตนของตนต่างกำหนดว่าเป็นนิโรธของตนของตน จึงได้ความเป็นนิโรธสมใจตนต่างคนก็ต่างก็นับว่าเป็นโชคสุภาเป็นโชคอันยิ่งใหญ่ของตนหรือหน้าพึงใจตนทั้งคู่นะสุภาพแปลว่าน้าพึงใจหรือแปลว่าโชคแปลว่างามนะทั้งคู่ในสำคัญเยี่ยงนี้เองที่ชื่อว่ามีกายคือองค์ประชุมภาวะธรรมนะองค์ประชุมของสภาวะธรรมอย่างเดียวกัน เอกตกรยามีสัญญากำหนดสำคัญมั่นหมายอย่างเดียวกันเอกต์ชนยินโนคือต่างก็ได้ความเป็นกายนั้นๆตามสัญญาของตนของตนต่างสมใจตนทั้งสองฝ่ายจึงต่างได้เอกตะอย่างเดียวกันเอกตาคำแปลว่าอย่างเดียวกันจึงต่างจึงต่างก็อย่างเดียวกันเอกต์หมายความว่าสิ่งซึ่งถูกยกขึ้นมา หรือสิ่งทึ่ถูกสมมุติขึ้นโดยตนเองเอกะโดยตนเองต่างก็มีสัญญาของตนอย่างนั้นอย่างนั <t uk> <t uk ้นสัญญาของตนเป็นต่างก็สัญญาของตอย่างนั้นตามความรู้ของตนและเมื่อปฏิบัติบรรลุตนของตนของตนต่างก็มีผลเป็นกายเป็นองค์ประชุมองค์ประชุมเขาภาวธรรมต่างก็เป็นกายคือองค์ประชุมอย่างนั้นอย่างนั้นโดยตนเองเอกะ เอกโอเอกะต่างก็เป็นได้ในตนเองโดยตนเองด้วยกันทั้งคู่จึงต่างเป็นโชคอันยิ่งใหญ่ของตนของตนหรือหน้าพึงใจตนทั้งสองฝ่ายเหตุที่แตกต่างกันนั้นมันแตกต่างกันที่ทิธฐิไม่ใช่สัญญาเป็นเหตุต่างกันที่ทิฐิไม่ใช่สัญญาเป็นเหตุจึงไม่ใช่จึงไม่ใช่กายเป็นเหตุกายมันจากสัญญาอย่างไรมันก็มา ปฏิบัติได้องค์ประชุมอย่างนั้นองค์ประชุมที่ได้มันก็ได้จากสัญญาอย่างไรทิฏฐิมาก่อนเหตุคือทิฏฐิเพราะฉะั้นเหตุผิดก็มิฉาทิฏฐิถ้าเหตุถูกก็สมาทิฏฐิไปเหตุเป็นมิฉาทิฏฐิก็มาสัญญานิโรธเหมือนกันสมาทิฏฐิก็เหตุก็มาสัญญานิโรธเหมือนกันแต่นิโรธคนละทิฏฐินะ เหตุที่แตกต่างกันมาแตกต่างกันทิฏฐิไม่ใช่สัญญาเป็นเหตุจึงไม่ใช่กายเป็นเหตุเรียกความแตกต่างนี้กันว่ามิจฉาทิฏฐิกับสมาทิฏฐิซึ่งต่างกระยึดว่าตนสมาทิฏฐิเป็นหนึ่งเดียวทั้งนั้นเนีอฝ่ายนี้ก็มิจฉาทิฏฐิก็กลว่าเขาสมาทิฏฐินะแต่จริงๆแล้วคือสัจจะไม่เฉียงใครจะทํายังไงก็ฟังเอาแล้วก็แล้วปฏิบตัติเอาลองดูนะ ดังนั้นสิ่งซึ่งถูกยกขึ้นมาหรือสิ่งซึ่งถูกสมมุติขึ้นคืออัตตเนี่คือกายที่ตนได้ตนเป็นขึ้นนี่จึงต่างก็ได้ดั่งใจทั้งดั่งใจตนทั้งคู่เลยได้ดั่งใจตนเช่นที่เรียกกันว่าเทพหรือพรหมก็เป็นไปตามภูมิของแต่ละคนโดยโดยตนเองนะโดยตนเองคือเอกเอกที่เอกะความเป็นกายในองค์ประชุมที่ตนสัญญา คือตนกำหนดหมายรู้เนี่ยอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยและต่างฝ่ายต่างก็บรรลุผลตามสัญญาของต น, งตนว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละนิโรธแล้วก็ได้กายที่ตนเชื่อว่ามีและคือนิโรธเดือวกันทั้งคู่และที่ผู้รู้ท่านแปลเอกัต่ว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ในพระฉะนั้นกลมต่าง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็มีอย่างเดียวกันก็มีความเป็นหนึ่งก็มีความโดดเดี่ยวก็มีความเปล่าเปลี่ยวก็มีการรวมกันก็มีการแยกออกก็มีการหลีกเล่นก็มีแต่พระพุศาสนาเนี่คําว่าเอกัตานี่ท่านแปลได้หลากหลายนั้นท่านก็เลือกใช้ความหมายที่ท่านพิจารณาว่าเหมาะกับภูมิรู้ของแต่ละท่านเก่งเก่งเอา ควารู้ของท่านเขเก่งคือยังไม่มั่นใจยังอาตมาไม่เก่งอาตมามั่นใจน ะ, จะกกท่านก็เก่งเอาอะไรจะเหมาะกับภูมิรูของตนเขาเก่งมั่บเออเอาอันนี้นะก็แต่ละภูมิแต่ละคนถ้ายังไม่แม่นนะถ้าแม่นตรงกันแล้วนะมันจะปันเดียวกันเลยนะเหมาะ ก, กับภูมิรู้ของแต่ละท่านเก่งว่าหรือมั่นใจว่าควรจะเป็นเช่นใดก็แต่ละท่านที่จะมีภูมิรู้อาตมาก็ขอลองแปลดูบ้าง ตามที่อาตมามีสภาวะในตนก็แต่นัยแต่ไรมานะอาตมาพยายามดูความหมายจากสภาวะจริงเป็นหลักในการแปลเสมอซึ่งความหมายจะต่างไปจากที่ท่านแปลกันไม่บ้างในบางภาวะบางภาวะก็ไม่ต่างกันเลยแต่ละเอียดขึ้นชัดขึ้นเพียงภาษาคําความที่แปลก็แปลกหูออกไปเท่านั้นก็ลองฟังที่อาตมาขยายภูมิตนเองดูบ้างานี่เป็นภูมิตนเองนะ่นจะเปิดเผย กำลังจะแสดงนูดกำลังจะเปิดเผยจะแสดงนูดก็ลองฟังที่อาตมาขยายภูมิตนเองบ้างน่าจะได้ความหมายช่วยเติมหรือว่าขยายเพิ่มความชัดเจนขึ้นก็นได้นะเอกตะมีคำอยู่สองคำคืออัตตะกับเอกเอกตะนี่มีคำสองคำคือเอกอัตตะกับเอก อัตตนั้นจากพจนานุกรมต่างๆก็คือตอนอัตตาหรืออัตตาเนี่ยตนหรือตัวตนน่ะตนหรือตัวตนบ้างอัตตาวิญญาณบ้างน่ะอัตตาเนี่แปลว่าวิญญาณบ้างหรือสิ่งที่ซึ่งถูกยกขึ้นมาบ้างหรือสิ่งซึ่งถูกสมมุติบ้างนี่คืออัตตะหรืออัตตาส่วนเอกคือโดยตนเองบ้าง หรืออย่างเดียวกันบ้างเช่นเดียวกันบ้างหรือหนึ่งเอกหนึ่งบ้างหนึ่งเดียวบ้างนะทีนี้นานัตตะเมื่อกี้นี้เอกตะนานัตตะก็มีอยู่สองคำคืออัตตะกับนานะนานะหรือน า, นานานี่ต่างๆนี่นานะอัตตะกับนานะนานัตตะในพจนานุกรมแปลกันว่าความแตกต่างกันออกไปนะ หนาหน้าตะนี่ก็แปลในพจนานุกรมแปลก็ว่าความแตกต่างกันออกไปความเป็นต่างๆกันของแปลกๆมันต่างกันไปของนานาชนิดการมีหลายอย่างนี่น า, นานานี่นะความมีมากความมีหลายรูปความเป็นของทุกชนิดหลากหลายเลยการมีหลายรูปแบบของความรู้สึกตรึงใจทางกามแหมมีทางการหลายรูปแบบ ก็วงเไดกไว้ Hasta. บางวา่าตรงกันข้ามกับเอกตะนะที่ท่นนานแปลว่ญญาที่ท่านแปลใน ส, ในสตาวาส์ว่าวิญญาณที่ิอในในสตาวาส์๙หรือบิน ญ, ญาณที่๗๗บินญาณที่ทิศว่วาอย่างเดียวกันเนี่ส่วนนานัตนานัตตาท่านแปลว่าต่างกันนะอันนึงแปลว่าอย่างเดียวกันอันนึงนานัตตาแปลว่าต่างกันเอกตะแปลว่าอย่างเดียวกันทีนี้คําว่านานะหรือนานานี่แปลว่าต่างๆตาง่ตางกัน ไม่เหมือนกันเป็นเสียทิ้งแล้วอย่างนั้นอย่างนี้หลายอย่างทุกชนิดนานาหรือนานนเนี่ยเอกตะอาต ม, มาก็ขอแปลขอแปลเอกตะก่อนว่าสิ่งซึ่งถูกยกขึ้นมาโดยตนเองหรือสิ่งที่ถูกสมมุติขึ้นโดยตนเอง หรือสำหรับคนผู้ที่ยังมีฉาทิฏฐิอยู่ท่านก็แปลว่าความเป็นตนโดยตนเองนะถ้ารผู้ที่ยังมิฉาทิฏฐิอยู่ก็แปลว่าความเป็นตนอัตตาเนี่ยเความเป็นตนนะเอกามันก็แปลว่าโดยตนเองเพราะฉะนั้นเอกัตาก็แปลว่าความเป็นตนโดยตนเองคุณก็มีความเป็นตนอยู่มีอัตตาอยู่หรืออัตตาอยู่โดยตนเองเป็นนะ ทำเองเป็นเองนะผู้ที่มิชาทิฐิอยู่ไม่รู้ตัวหรอกไม่รู้ตัวว่าตนเองนี่ทำความเป็นตนโดยตนเองมิจฉาทิฐิเขาจะไม่รู้สมาธิทิฐิก็จะศึกษาไปรู้บ้างไม่รู้บ้างจนกระทั่งรู้ชัดสมาธิทิฐิก็จะศึกษาความเป็นตนโดยตนเองเพราะคุณเป็นตนของตอนเองอยู่นี่เป็นตัวอัตตาเป็นอัตตาไม่มีใครก็ทำหรอคุณทำตัวเองคุณเองนั่นแะ ไม่มีใครเขาทำให้คุณหรอคุณทําตัวคุณเองนั้นสําหรับผู้สมาธิินั้นสิ่งที่ถูกสมมุติขึ้นโดยตนเองเอกตะเนี่ยสิ่งที่สูงสมมุติขึ้นโดยตนเองก็เอกะอัตตะกับสิ่งที่สูงสมมุติขึ้นไงสิ่งที่สูงสมมุติขึ้นโดยตนเองหรือความเป็นตนโดยตนเองเอกัตะเนี่ยถ้ามีชาติติิก็แปลว่าความเป็นตนโดยตนเ อ, อเองของคนผู้บรรลุน้าผู้บรรลุทํา จะลดตัวตนหรือความเป็นตนถ้าผู้ที่บรรลุผู้ที่มีสมาธิเนี่ยจะลดตัวตนของผู้บรรลุจะลดตัวต น, น, ล, ดตวตน ล, ดลดความเป็นตนไปตามภูมิจนกระทั่งสูงถึงขั้นเมื่อทาสิ่งที่ถูกสมมติขึ้นโดยตนเองหรือความเป็นตนโดยตนเองแล้วไม่มีความยึดถือว่าเป็นตัวตนผู้ที่บรรลุธรรมของพุทธจะรู้จักความเป็นตัวตน เพราะหมดความยึดมั่นว่าเป็นตัวตนของตนจะหมดอุปทานในตัวตนแม้จะมีตัวตนก็เป็นตัวอาศัยไม่ลึกลับจึงเรียกว่าอรหัตตาอัตตาหรืออรหัตตะอัตตะที่เป็นอรหัตอรหัตแปลว่าไม่ลึกลับแล้วนาฬิกาบอกแล้วว่าสองทุ่มเราเลยสองทุ่มเราเริ่มสองทุ่นี้มาเพิ่มได้ห้าสิบสามนาทียังอีกเจ็ดนาที นะเลยเวลามาเรื่อยที่นี่นะเมื่อผู้ปฏิบัติต่างก็ได้สิ่งซึ่งถูกยกขึ้นมาหรือตอนอตตะนีตนก็ได้เช่นสิ่งที่ยกขึ้นมาก็ได้อตตะแปลว่าตนตัวตนก็ได้เป็นภาวะเอกเอกะตามภูมิตนเท่าที่รู้กำหนดหมายนะเพราะภูมิตนมีเท่าไหร่ก็รู้กำหนดหมายเช่นภาวะนิโรธเป็นตน้น กำหนดหมายภาวะนิโรธจึงหมายถึงต่างก็ได้เอกตตะต่างก็ได้เอกตตะได้สิ่งที่สมมุติถูกยกขึ้นมาโดยตนเองหรือสิ่งที่ถูกสมมติสิ่งที่ถูกยกขึ้นมาหรือสิ่งที่สมมุติขึ้นมาโดยตนเองต่างก็ได้เช่นวันนิโรดนี่นั่นคือต่างคนต่างก็ได้ความเป็นฌานบ้างก็ตามความเป็นนิโรธก็ตามในตนเองเพราะฌานของหรือฌานของ ผู้ที่มิฉาทิฐิเขาก็จะได้ฌานอยู่ในภพไม่มีนิวรณ์นิโรธเขาก็ได้อยู่ในภพดับอยู่ในภพไม่ว่ามิจฉาหรือสมาเนี่ยเขาก็จะได้ในตนเองทั้งนั้นไม่ว่าฌานไม่ว่านิโรธเมื่อต่างคนต่างได้กายได้องค์ประชุมของสภาวะต่างก็เรียกว่าฌานว่านิโรธเช่นเดียวกันออืเรียกเหมือนกันอย่างเดียวกันต่างก็มีองค์ประชุมของสภาวะ คือกายเนี่ยของตนของตนว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละคือฌานอย่างนี้อย่างนี้แหละคือนิโรธกายที่ตนได้อย่างนี้ตามสัญญาที่ตนมีอย่างนี้อย่างนี้ตามความรู้ของตนของตนที่ต่างก็กําหนดหมายรู้เรียกว่าสัญญาต่างก็เรียกว่าฌานเรียกว่านิโรธเช่นเดียวกันเอกะอย่างเดียวกันหรือเช่นเดียวกันเอกะของแต่ละคนต่างก็ อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยตามสัญญาตามกาม ди, ías, าม ai, ามําหนดมาดูของตนของตนและตนก็ปฏิบัติจนกระทั่งมีกายมีองค์ประชุมเป็นสิ่งซึ่งถูกสมมุติขึ้นโดยตนเองเอกตะการโยหรือสิ่งซึ่งถูกยกขึ้นมาโดยตนโดยตนเองนะเอกตะการโยได้กายองค์ประชุมในจิตในองค์ประชุมขึ้นมาในจิตนะมันเป็นภาวะปรมาตาร์พวกนี้อยู่ในเรื่องของจิต การส่วนใหญ่แต่มันไม่ไม่ทิ้งข้างนอกนะ้าของพุทธได้กายนะไม่ทิ้งข้างนอกองค์ประชุมในจิตที่เป็นนิโรธตามคําจัดของพระพุทธเจ้าในวิญญาณที่ติดเจ็ดหรือสัตวว่าเก้าข้อที่สี่ที่ก๊กหพูดถึงข้อที่สี่เนี่ยนะมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเนี่ยนะอันนี้อ้างอิงพระเตวิโดกเล่มสิบเอ็ดบังเล่มยีิบสามบังนะข้ ธาเลมสิบเอ็ดกข้อสามสบสามหรือข้อสามร้อยห้าสิบสามส่วนเล่มยี่สามในข้อสี่สิบเอ็ดกับข้อสองร้อยยี่สิบแปดข้อสี่ที่นั่นมีว่าสัตว์บางพวกมีกายอย่างเดียวกันเอกตตะกายามีสัญญาอย่างเดียวกันเอกตตะสัญญโนเช่นพวกเทพสุภกินนะหะนะหรือว่าได้แก่บางพระติมดกบางเล่มมานก็แปลว่าได้แก่เทพสุภกินนะหะน่ะ อันนี้ถ้ากับบางเล่มถ้ากับแปลว่าเช่นเทพประสุกินนหะเทพประสุกินนาหะนี้หมายถึงเทพหรือพรหมซึ่งมีความเป็นภูมิจิตเป็นภูมิจิตท่านนิโรธสมาบัติทีเดียวผู้ยังมิชัดทิฏฐิก็ยังมีความรู้ระดับเทวเทวนิยมพู้มิชัดทิฏฐิในส่วนมากจะเป็นเทวนิยมก็จะมีความยึดถืออยู่แค่ความมีอัตตาอันหมายถึงจิตวิญญาณที่มีรูปร่าง มีสรีระตัวตนที่เมื่อตายไปแล้วก็เป็นเทพหรือพรหมไปเสวยภูมิอยู่ในแดนสวรรค์ตามชั้นตามสถานที่เขาว่ามีแดนสวรรค์เป็นที่เทวดาอาศัยอยู่หรือว่ามีแดนนรกที่ผีนรกเปรตเดรัจฉานวินิบาตอาศัยอยู่ดังนั้นเทพหรือพรหมของชาวเทวนิยมดังกล่าวนี้ก็จะเป็นกายองค์ประชุมที่มีรูปร่าง มีขยายความให้พิศดาลให้เห็นไปจริงชี้ให้ชัดลงไปถึงสภาพของผู้ที่ยังไม่ค่อยสมาธิผู้ที่ยังเป็นเทวนิยมอยู่ก็จะเป็นกายหรือมีองค์ประชุมที่มีรูปร่างผู้ที่ได้เรียนรู้มาบางคนเขาก็เรียวนามกายด้วยนะเรียวนามกายด้วยที่ไปบอกว่าตายไปแล้วก็เป็นนามกายและยืนยันว่าคนในโลกนี้ที่ยังไม่ตายไปนี่ก็สามารถเห็นได้โดยเห็นด้วยตาทิพย ว่ากันอย่างนั้นเรื่องนี้ไม่ค่อยอธิบายกันละเอีอละเอียดอีกเมื่อมีโอกาสนระเดี๋ยวมันจะมากเรื่องเอาเข้าสู่เนื้อก่อนเนื้อหาซึ่งสิ่งที่มีรูปร่างสรีระนี้จะต้องเห็นด้วยตาสิ่งที่มีรูปร่างนจะจงเห็นด้วยตานามมาทํานามมากายหรือนามมารูปเนี่ยมันไม่ได้เห็นด้วยตาหรอกมันต้องมี สิ่งที่มีรูปร่างมีสรีระนี่มีรูปกลมๆอย่างกองรองกองมีรูปยาวๆเหมือนกับมะละกอเนี่ยมันต้องมีรูปร่างต้องเห็นด้วยตาโธโลเนี่ยตาเนี่ยมาสัมผัสเหน็นเรียกว่าจักษุสัมผัสแต่ถ้าคนที่ตายไปไม่มีรูปร่างไม่มีรูปร่างสรีระแล้วเนี่ยมีแต่อัตตะภาวะ มีแต่อัตตาภาวะที่เรียกว่าจิตวิญญาณซึ่งรรพระพุทธเจ้าตรัสว่าอสรีรังคือไม่มีรูปร่างถ้าจะเห็นจิตวิญญาณต้องเห็นโดยใช้ตาทิพจักขุทิพที่เรียกว่าวิชาแปดเช่นวิปัสนาญาณเป็นต้นและเห็นด้วยอาการลิงคนิมิตอุเทศต้องเห็นด้วยลักษณะจะเห็นนามารูปต้องเห็นด้วยอาการลิงคนิมิตอุเทศไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อ แม้คนที่ยังไม่ตายยังมีตาเนื้อต้องเห็นเห็นนี่คือปัจจติด้วยตาทิพย์ที่เป็นวิชาแปดอย่างสมาทิแม่เหลือไปดูเวลาแล้วนี่มันไม่เหลือแล้วเวลามันศูนย์แล้วท่านเดินดินเปิดกระสันนิดเดียวไม่ซักไม่ทวงอะไรเลยตลอดสองชั่วโมงเอาเอาไว้ให้ท่านสรุปก็แล้วกันอันตามาหยุดมันตรงนี้ก็แล้วกัน โอ้เวลานี้อาตมาไม่รู้จะทำไงไลลาเวลาไม่ทันรู้สึกว่าค <c oughs> งจะไม่มีความถามนานจริงๆจะไปแทรกตรงไหนได้ <c oughs> <c oughs> วันนี้รู้สึกทึ่งอย่างหนึ่งที่มีคนเขาบอกเป็นแฟนพันธ์แท้นเขาติดตามฟังพอท่านอายุแปดสิบสี่แล้ว <c oughs> เอาของเคงเา้าเขาเป็นคนจีนเน่ เอาของของมาจากประเทศจีนโดยเฉพาะเลยมาถวายแต่ที้น่าทึ่งคือว่าบอกเ้าติดตามฟังไม่ว่าพระท่านตอบปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยน ะ, ะแสดงว่าแค่จะ เ, เข้าใจได้หรือเปล่านะไปลองฟังวันนี้วิญญาณทิฏฐิเจ็ดนะเรื่อ ส, สัตววาฏเก้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูเขานะแต่จะเข้ามากราบพระท่านมากๆเลยเเนื้อหาจริงๆแล้วมันเป็นคงเป็นเป็นวิชาการที่ค่อนข้างที่จะยาก แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยคือสิ่งที่พ่ะครูต้องการให้ให้เข้าใจทิศทางเป้าหมายของศาสนาพุทธว่าอยู่ตรงไหนโดยวิชาการเปรียบเทียบไปเห็นว่าถ้าจุดจุดอสูงสุดแล้วเนี่ยนะป็นยิ้นรอดของพุทธยิ้นรอดของฤาษีฌานของพุทธฌานของฤาษีพรรษาของพุทธกับของฤาษีบัณเ น, นี้ยนั่งตรงนี้เนี่ยก็กลิ่นมะม่วงอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยก็ก็ก็ ก็ฟังได้ว่าขเพราะครูพยายามก็กระยำอยู่ว่าแสดงว่าคุณจะกินอย่างเดียวไอ้นี่ก็มีกลิ่นีนดอกไม้นี่ก็มีกลิ่นรู้สึกว่าจมูกกินอย่างเดียวจมูกจะเอาตะกินจมูกมาจมูกมาด้กินเลยครับไอ้เขากล้วยนีขคบหดได้กลิ่นนี่โอ้ับอาจจะนั่งไกลอาจจะนั่งใกลเนี่ยดอกลั่นทมดอกมะลิดอกอะไรทุกๆครั้งที่มีลั่นทมก็จะได้กินลั่นทมเต็มจมูกเลยวันนี้รู้สึกว่ามะม่วงก็เต็มจมูก แต่ก็แต่ก็ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออชอบหรือว่าอยากจะกินอะไรอย่างเง้ยการภายในได้ที่เราเกี่ยวข้องอถึงวันนี้พรอครูก็ย้ําว่าตรงนี้มันอยู่ที่ว่าเราทําทิฏฐิอย่างไรสัญญามันก็จะกําหนดหมายแล้วก็อ่านได้ชัดเจนเคยฟังญาติธรรมของเราเขาบอกเขากำลังนั่งสมาธิได้ได้ลึกเลยนะได้ดีๆเลยเนี่ยลูกมาเคาะประตูเขาโมโหมากเลยต้องออกมาตบหน้าลูกเลยนะว่าแม่กําลังได้ฌานดีๆก็เหมือนกับ ตากเอ็ดหลานเนี้ยตาอ่านอะไรอ่านหนังสือธรรมะเดี๋ยวไอ็ดหลานวิ่งไปเล่นมาตาอ่านอะไรอนนังสือธรรมะเดี๋ยววิ่งไปมาไม่เอตาหนังสือไหมคว่างหน่งสือใส่หัวหลานเลยดังนั้นดังนั้นทิฏฐิเนี่ยเอ่อทิฏฐินี่เป็นสิ่งที่เราธรรมะทิฏฐิที่จะกําหนดหมายชัดเจนว่าเราจะอยู่เหนือแบบไหน เราจะนิโรธแบบไหนซึ่งถ้ากําหนดผิดมันก็จะไปอีกแบบนึงเลยของเขาก็จะนิโรธแบบดับสนิทพวามจริงๆคนทั้งโลกก็ได้หรือแม้แต่อัตมายังหรือพวกเรายังถ้าไม่ได้พบพ่อครูเนี่ยก็จะนิโรธก็คือว่าดับให้มันสนิทซะแหละคือเรารู้ว่าถ้าเราไปรับรู้แมันจะทุกข์จะทุกข์มันทรมานในโลกนี้มันหลอกลวงเยอะมันก็จะดับดับๆับดับับดับดับถ้าดับได้นี่ก็สุดยอดสุดยอดแล้วก็จะอย่างนั้น เข้าถึงแยงยังแยงมาตลอดว่านี่ลบต่ำกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้ซึ่งซึ่งเขาก็เอกัตตาของเขาเหมือนกัน เ, <อ>เขาก็ได้ความได้อยากเขาก็สมใจของเขาเอในพวกครูก็มาเที่ยวฟังว่าเอ๊ะสูงสุดแล้วเนี่ยถ้าเป็นนิโมของพุทธแล้วของฤาษีแล้วซึ่งตรงนี้คิดว่าผู้จะมาที่บายเนี่คงจะยากเหมือนกันเพราะว่าต้องเข้าใจทั้งตรงจุดนู้นแล้วเข้าใจทั้ง ต, ตรงจุดนี้แล้วก็ยังจะเอาเอาสิ่งที่ ค, คนไม่รู้เรื่องเนี่ย มาอธิบายคนรู้เรื่องอีกด้วยทั้งสองภาพเนี่ยนะ <c oughs> อย่างนั้นพ่อ <c oughs> ครูก็ยาก <c oughs> พวกเราก็ฟังด้วยความยากแต่ถ้าเราเข้าใจได้เข้าใจโดยเนื้อหาว่าจริงๆแล้วของพุทธเนี่ยมันต้องรับรู้มันต้องเกี่ยวข้องมันต้องตื่นรู้แล้วก็อ่านภายนอกอ่านภายในโดยไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทิ้งจากข้างนอกทำความเข้าใจอย่างนี้เราก็จะค่อยเรียนรู้แล้วก็เข้าใจนิโรธที่เป็นภาวะที่ยูนเหนือจะมีความเกี่ยวข้องได้โดยไม่ใช่ อะไอย่างที่บอกว่ายิ่งหลับก็ยิ่งหลียิ่งหนีก็ยิ่งห่างจากนิพพานแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่หนีแต่ว่าเราจะอยู่เหนือเป็นนิโรธเป็นนิพพานได้อย่างไรวันนี้ต้องกราบขอพระคุณทบครูด้วยความเคารพ อ, อย่างสูงครับอ ข, อขอ้าขอนมนุษย์นากับพวกเราทุกคนที่จะทำความดีดพ้นจากสัตว์ว่าก้า